บทที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดระหว่างที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ยังยืนนิ่งเงียบเป็นท่อนไม้อยู่นั้นมาเรียก็บอกมาด้วยน้ำเสียงปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสบายตัวสบายใจแล้วก็ไปนอนซะเถอะชยันเมย์คุณคงเกลียดผมเข้ากระดุกดำแม่มสาวยิ้มเล่นๆอีกครั้งยักไหลฉันอาจลหลงไหลไฝฝันในตัวคุณที่จะลืมไม่ลงก็ได้ พวกคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าผู้หญิงอย่างฉันนะ่ะเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งมีรสนิยมชอบความเจ็บปวดทรมานคุณก็สนองให้สักถึงใจดีแล้วนี่โธ่เม่จะด่าว่าอะไรผมก็ยอมทั้งนั้นแต่อย่าประชดประชันอย่างงี้เลยผมไม่ได้มีเจตนาจริงๆผมทำไปเพราะอารมณ์บ้าคลั่งผมรู้ว่ามันเกินขอบเขตไปให้พน้นปล่อยฉันไปคนเดียว ก่อนที่ชา ย, ยันจะพูดจบประโยคมารีก็ตวาดลั่นตาลุกจ้ากริยาอันดุดันกลับคืนมาอย่างรวดเร็วจนดูไม่ทันขยับลูกเลื่อนไรเฟิลดังกร่วมขึ้นนกแล้วพิมปากก็บอกเข้าไปกลางซวงอกเขาสายตาคู่นั้นบอกให้ชา ย, ยันทราบได้ทันทีว่าลอนเนียวไกแน่หากเขายังร่ำไรอดอ้ อ, อนอยู่อีกระพินไพยวันเองขณะนี้นั่งห่างออกไปอีกทางหนึ่ง ง่วนอยู่กับยามหลังส่วนตัวของเขาชะ ง, งักกึกจ้องตาเขม็งมองไปยังภาพนั้นอย่างสะกดกลั้นลมหายใจชายันจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองเกินกว่าเหตุซะแล้วถอยกไปสิคุณชายันอย่าไปยุ่งอะไรกันหลอนอีกในตอนนี้หลอนข่าคุณแน่ๆละ่ะเขาร้องตะโกนอยู่ในใจตัวแข็งไปหมดชายันไม่สนใจกับปากกระบอกจุดสามเจ็ห้าที่จี้ติดอก เขามองด้วยในตาซึมประสานจับตาสีเขียวมรกตคู่นั้นนี่เมผมไม่กลัวว่าคุณจะยิงผมหรอกนะแต่ถ้าหากคุณยังขุนมัวยังโกรธแค้นผมอยู่และยังไม่อยากเห็นหน้าผมก็ยินดีที่จะหลบหน้าคุณไปก่อนกล่าวจบเขาก็ถอนใจเบาๆหันหลังกลับเดินซึมหายเข้าไปยังที่พักนอนอย่างสงบ ครันใหญ่ผู้นั่งใจหายใจควม่มเฝ้าจับมองอยู่ตาไม่กระพริบก็ถอนใจอย่างโล่ง อ, อกโครงศรีรษะช้าๆหันไปง่วนจัดการกระสิงของของเขาต่อไปอย่างเงียบๆส่วนมาเรียฮอปมั่นก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่ริมกองไฟนั้นตามลำพังผมยุ่งตาโรยครั้งหนึง่งบุญคำซึ่งนอนขดอยู่ไม่ห่างจากระพินออกไปเท่าใดนักชันคอขึ้นมาพยายามมองสบตาพรานใหญ่ มีาการเหมือนอยากจะอ้าปากพูดอะไรด้วยแต่สายตาของจอมพรานที่แลมาเป็นเครื่องหมายแทนคำพูดว่าโอ<ฮ>ปากไม่ต้องเสือกอะไรทั้งสิ้นมันเรื่องของเขาแกจึงไม่กล้าเอ่ยคำใดออกมาได้แต่ลุกขึ้นมานั่งช่วยเขาจัดโน่นจัดนี่ไปตามเรื่องเพราะถือว่าตัวแกเองนั้นความจริงก็ต้องตื่นตลอดยามนี้ไปจนกระทั่งรุ่งเช้าบัตรนั้นเอง เสียงของอะไรชนิดหนึ่งก็ลอยแววสะเทือนมาในบรรยากาศอันหนาวเย็นสงัดเงียบยามใกล้รุง่งกระทบกับโสดสัมผัสของทุกคนในแคมป์ที่ตื่นอยู่ในขณะ น, นี้สุดแต่ว่าหูของใครจะสดับได้อย่างไรครั้งแรกมันดังเหมือนฟ้าคำรนที่แววมาแต่ไกลที่ใดที่หนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นบริเวณป่าหินด้านปราศาสพันธุมวดี มันดังขึ้นครั้งหนึ่งช่วงสั้นๆดูราวกับว่าจะเกิดจากห่วงอุปท า, านพรานใหญ่กระตุหัวคิ้วเข้าหากันหยุดชะงักการจัดของลงนิดนึงส่วนตาบุญครรมผู้กำลังแกะกล่องลูกไรเฟิลออกมามัดกับยางรัดเพื่อบัรจุเข้ากระเป๋าย่ามเข็มขัดทหารของแกตะแคงหูมันดังขึ้นเพียงครั้งเดียวก็เงียบหายไปอย่างลึกลับ ฝนตกไกลละมัง้งนายแต่หมอกลงหนาจัดอย่างนี้มันไม่น่าจะมีฝนนะนายแกเปลยขึ้นเบาๆพรานใหญ่นิ่งทำงานต่อไปมิชามีนานพอเผลอๆตัวมันก็ครื้นครันมาอีกทีแรกเป็นเสียงต่ำก่อนแล้วปลายเสียงก็ตะวัดออกเป็นแหลมสูงเอ๊ะนายฟ้าร้องทำไมมันถึงดังควากๆเลยละนาย ตาเท้าทำหน้าชงนก่อนที่เขาจะขยับปากเช่นไรนั่นเองมาริอาฮอปมันซึ่งก็คงจะเงี่ยหูจับฟังอยู่ก่อนแล้วเช่นกันสาวท้าตรงเข้ามาโดยเร็วอาการสะบักสะบอมกระโรูกระเพกเพราะความบอบช้ำจากการซ้อมดูเดือดของชา ย, ยันบัตรนี้แทบจะหายเป็นปลิดทิ้งกลายเป็นความคล่องแคล่วฉับไวตามเดิมไพวันคุณได้ยินเสียงอะไรนั่นไม่ใช่เหรอหลอนพูดโดยเร็ว เขาพยักหน้าอาการทั่วไปอยู่ในความสงบปกติคุณว่ามันเสียงอะไรแม่สาวถามต่อมาจ้องหน้าเขาเปลงอาจจะเป็นฝนลหลวงฤดูก็ได้นี่ตกอยู่ขอบเขาลิบลิบโน่นน่ะพรานใหญ่ตอบสีหน้าปราศจากความรู้สึกใดๆให้จับได้ฝนหลงฤดูอะไรกันจะหลงมาตกบนยอดเขาที่หมอกลงจับอุณภูมิลดลงเหลือหกองศาอย่างเงี้ย นั่นไงดังอีกละไม่ทันขาดเสียงพูดรัวลิ้นของมาเรียสำเนียงพิลึกพิลั่นหน้าสะพึงกลัวนั้นก็ดังเลื่อนลั่นมาอีกคราวนี้ชัดเจนที่สุดแม้จะฟังจากคลื่นเสียงที่ลอยมาว่าอยู่ในระยะห่างมากก็ตามมันเป็นเสียงครางอืออยู่ในลำคอสลับไปกับการแผดแหลมควกักอย่างเกลี้ยกลาดดุร้ายเป็นระยะระยะ แล้วก็มีเสียงต้นไม้ใหญ่ล้มโครมครามแล้วเสียงดินหินภูเขาถล่มร่วงเอ๊ไม่เข้าท่าซะแล้วล่ะนายยักษ์กรมภกดันที่ไหนมันมาหากาักป่าอยู่แถวแถวปราสาทหินร้างนนบุญคำร้องออกมากระโดดถุงมายืนหน้าตื่นเลิกละ่ะระพินยังคงเงีย่ยหูฟังอย่างใจเย็นตามเดิมตามองผ่านมาเรียไปยังก้อนหินที่แงซทายนอนอยู่ก็ยังเห็นเจ้ากระเรียงพระเนจรคงนอนสงบอยู่ที่เดิม โดยไม่มีปฏิกิริยาสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิ้นระยะอันห่างและความมืดที่ปกคลุมอยู่ทําให้เขาไม่สามารถจะสังเกตเห็นอาการอย่างใดของแง่ทรายได้นอกจากร่างที่นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้เป็นเงาตะคุ่มอยู่มารียบัตินี้เริ่มกระสับกระส่ายแลหินชัดและไม่ยอมพูดสักถามใดๆให้เสียเวลาอีกต่อไปหากแต่ตรงไปยังที่นอนอันมีร่างของราชสกุลสองพี่น้องนอนหลับอยู่ทันที ชายันนั้นเพิ่งจะจากหล่อนมายกหยกและไม่ได้หลับนอกจากนอนลืมตาโพลง่งมองดูหลังคาผ้ากัน้นพลาสติกอยู่คนเดียวและได้ยินเสียงอันฟังสยองอยู่ทุกขุมขนนั้นอย่างชัดเจนด้วยความประหลาดใจเช่นกันพอแม่มสาวถลันปราดเข้ามาเขาก็ดึงกายขึ้นนั่งโดยเร็วอะไรเหรอเม่มาเรียดูเหมือนจะลืมเรื่องคุณข้องมองใจในขณะ น, นี้ลงซีชั่วขณะพูดเร็วปรึงปลุกพี่ใหญ่กับ น, น้อยเดี๋ยวนี้เถอะ รินไม่สู้ดีละชา ย, ยันก็ไม่สักถามอะไรเหมือนกันหันไปเขย่าเรียกเชษฐากดารินพร้อมกันอย่างเร่งร้อนสองพี่น้องกําลังหลับสนิทสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการตกใจเพราะการปลุกอย่างพรวดแพรดของชา ย, ยันยังไม่ทันจะเอ่ยปากถามคําใดทั้งสองก็ได้รับคําตอบของสาเหตุงการถูกปลุกด้วยตมเองจากซําสําเนียงสะเทือนเลื่อนลั่นที่ได้ยินเชษฐานั่งเบิกตาฟังนิ่ง ส่วนดารินตะลึงกายสันน้อยๆหันไปคว้าไรเฟินประจามือขึ้นมากอดไว้ด้วยสัญชาตยานเสียงอะไรนะเชษฐาถามต่ำๆไปยังชายยันและมาเรียซึ่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าไม่รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักอึดใจใหญ่ๆก่อนที่ฉันจะปลุกแกกันน้อยขึ้นมาเชษฐาเพ่นออกมานอกใต้คลุมของหลังคาพลาสติกตารอบด้าน แม้จะมีสั ญ, ญลักษณ์ว่ารุ่งสางใกล้เข้ามาแต่ความมืดก็ยังครองตัวอยู่สนิทเวลาจากเข็มนาฬิกาเดินป่าที่ข้อมือของเขาชี้บอกเวลา 5.16 นาฬิกานาทีอุณหภูมิจากเครื่องวัดในหน้าปัดของนาฬิกาเรือนเดียวกันชี้บอกเวลา5ชี้บอก 5.4 สองศาเซนเซียสหนาวจนค้างสันกระทบกล้าวและอองหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป เห็นกลุ่มพรานพื้นเมืองพากันลุกขึ้นหมดแล้วและพูดอะไรกันแซ่ซําส่วนพรานใหญ่ยืนสงบนิ่งเหมือนจะจับฟังเสียงให้แน่ชัดอยู่ตรงที่ก้อนหินลูกหนึ่งปากทางจะลงเนินไปยังลำธารเบื้องละ่ะเสียงนั้นสงบไปแล้วและไม่มีท่าว่ามันจะดังมาให้ได้ยินอีกเต็มบริเลสนัยหน้าพิศวงเชษฐากระดารินพูดตื่นขึ้นมาทีหลังเพื่อนได้ยินอยู่เพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น เงซ า, ายนอนปิดตาเหมือนจะหลับขณะที่จอมพรานเข้ามาหยุดยืนอยู่ริมก้อนหินข้างๆที่นอนและเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังนอนนิ่งอยู่ในขณะที่ทั้งสิบเอ็ดคนของคณะบัดนี้พากันลุกขึ้นมาหมดแก้ว่ามันอยู่ทางด้านไหนและห่างสักเท่าไหร่เขาถามด้วยเสียงแผ่วเบาตายังมองฝาสายหมอกออกไปในความมืดประมาณสองกิโลเศษครับ ทางด้านตาหินของปร า, าสาทพันธุมวดีแงซ า, ายตอบมาด้วยเสียงเบาเช่นกันโดยไม่ขยับขยื่นหรือลืมตาขึ้นและความเห็นนั้นก็ตรงกับความรู้สึกของพรานใหญ่ในขณะนี้มันใช่ไหมผมไม่กล้าลงความเห็นครับแต่ไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ชนิดใดร้องคำรามดังไปไกลอย่างนี้มาก่อนครับเสียงของการเคลื่อนไหวเสียงดินทลาย และเสียงต้นไม้หักผิดไปจากการกระทําของสัตว์ทุกชนิดแม้แต่ช้างครุงก็แล้วนัจะนอนแเดอยู่งเงี้ยนเหรอเขาสะบดออกมาด้วยคำหยาบคายขู่ขาของเขาหัวเราะเขาค่อยดึงตัวขึ้นนั่งบิดกายจนกระดูกลั่นกล่าวผมว่ามันไม่เข้ามาทางนี้หรอกผู้กองมันพบเหยื่อของมันซะก่อนเสียงเมื่อครู่น่ะเป็นเสียงของการต่อสู้ ป่านนี้นะมันคงยุ่งอยู่กระเยือเราควรจะพักผ่อนกันตามปกติอย่าเพิ่งไปสนใจกับมันเลยจอมพรานหันขวับมาด้วยความเดือดดาลจากาท่าเทียนเฉยชาใจเย็นของแง่ทรายก่อนที่เขาจะปล่อยคำพูดแรงๆอะไรออกไปกลุ่มของคณะนายจ้างทั้งหมดก็พากันพรูเข้ามาถึงเสียงมันพิกลอยนระพินฟังดูคล้ายๆใครอัดเสียงคารามของสิงโตว้ และเอาเข้าเครื่องขยายเสียงสักห้าหมื่นวัตต์ตั้งลำโพงหันหน้ามาทางแคมป์ของเราอย่างนั้นแหละท่านหัวหน้าคณะพูดขึ้นขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกรานใหญ่ยิ้มกรานๆสำเนียงอันหน้าสะพึงกลัวนั้นได้ยินอย่างแจ้งชัดไปทั่วทุกคนเกินกว่าที่จะ บ, าบ่ายเบียงอำพรางอย่างใดได้ผมกำลังฟังอยู่ครับแต่ตอนนี้เงียบสนิทไปแล้วั น, นเวลาเท่าไหร่แล้วครับ ตีห้าเกือบ2ี่สิบแล้วละ่ะระพินเอาไฟฉายสองกลาด่อไปอยังราวป่าเบื้องล่างและพืมพังกว่าจะมองเห็นอะไรได้ถนัดก็คงเกือดโมงเช้าคืนนี้หมอกลงจัดช่ด้วยสิครับอากาศที่หนาวเยือกอยู่เป็นทุนเดิมแล้วเพราะอุณหภูมิขีดต่ำบัดนี้ดูเหมือนจะยิ่งหนาวสถานจับคู่หัวใจของทุกคนไปจนตัวสั่นสิวแทบจะกระดิกไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเหล็กของไรเฟิลแต่ละกระบอกบัดนี้เย็นเฉียบราวกับก้อนน้ำแข็งดารินถึงก็ต้องกระโดดเข้าหากองไฟเอามือยื่นออกไปอางเปลวแล้วนำมันแนบกับใบหน้าและลำคอเป็นระยะส่วนชายันตอนที่ปล้ำมาเรียเขาไม่รู้สึกว่าอากาศจะหนาวเลยสักนิดค่อนข้างจะร้อนจนเหงื่อผุดชด้วยซ้ำแต่ตอนนี้นิ้วมือดูจะแข็งไปหมดเหยียดไม่ออก ทางด้านพวกพรานพื้นเมืองซึ่งขณะนี้จับกลุ่มหน้าตื่นเลิกลักกันอยู่ทางหนึ่งพูดอะไรกันแซดสัญชาตญาณบอกให้คนเหล่านั้นทราบได้ในทันทีว่ามหันตภัยโชยกลิ่นไออยู่ไม่ห่างออกไปนี่เองทั้งทั้งที่ต่างก็ยังไม่ทราบวันมันเป็นอะไรกันแน่ตามปกติแล้วคนเหล่านี้ไม่เคยพรั่นพรึงหรือตื่นระหนกต่อสัตว์ป่าทุกชนิดขนาดช้างทั้งขลงมาป้วนเปียนใกล้ๆที่พักนอน เขาเหล่านั้นเพียงแต่พงกหัวขึ้นมาฟังเสียงนิดนึงแล้วก็ล้มตัวลงนอนหลับต่อไปได้อย่างสบายเสือย่องแกลกเข้ามาถ้ารู้แน่ว่าไม่ใช่เสือตัวที่เคยเฮี้ยนถึงขนาดจับคนกินเป็นนิสัยอย่างมากก็จะแกล้งทาเสียงเ อ, อะอะไล่มันไปซะแล้วนอนอย่างสบายอารมณ์ได้เหมือนกันแต่เสียงสะท้อนเลื่อนลั่นที่แววมาให้ได้ยินเมื่อยกยกนี้บอกให้เหล่าพรานหัวเห็ดทั้งนั้นระหนักได้ทันทีว่า ถ้ายังขืนใจเย็นทำเป็นหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นอยู่อีกต่อไปก็มีหวังไม่ต้องตื่นลืมตาขึ้นมาดูโลกอีกแล้วทุกคนจึงพร้อมกันผวาตื่นขึ้นมาเองโดยไม่จำเป็นต้องปลุกบอกกันและต่างคนก็ต่างใช้ประสาทอันเจนไทรจับฟังเสียงนั้นตามแต่ใครจะถนัดในด้านใดมีอยู่สองคนที่ก้มลงนอนเอาหูน้กับพื้นดินขยินกับสั่งตา ส่วนตาบุญคำไม่อยากจะใช้วิธีนั้นในเมื่อยังมีขยินอยู่ทั้งคนเพราะแกรู้อยู่ว่าขืนฟังเสียงแบบนี้แข่งกับขยินที่ไรแกเป็นขายหน้าเจ้ากระเหลี่ยงหลุมช้างทุกทีไปเพราะความจริงนั้นแกก็ไม่ชํานาญในวิธีการเช่นนี้นักเลยได้แต่ยืนหมุนตัวอยู่ไปมาเพื่อจับฟังเสียงตามทิศทางลมทั้งฝ่ายบุคคลชั้นหัวหน้าทั้งหลายยืนประจันมองหน้ากันอยู่ในขณะ น, นี้ก็มีแต่เพียงความเงียบงนัน พรานใหญ่ยังไม่ยอมพูดอะไรสักคนเดียวลเลยพ้อยทำให้คนอื่นๆไม่กล้าเอ่ยปากขึ้นด้วยอยู่ห่างมากครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะผ่านใกล้เข้ามาที่พักของเราด้วยในที่สุดระพินก็ทำลายความเงียบขึ้นไอตัวที่กินซากไดโนเทเรียมเอาไว้ใช่ปะเฉดฐาถามด้วยเสียงราบเรียบเป็นปกติเช่นกันเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวทางฝ่ายนายจ้างซึ่งควบคุมความรู้สึกไว้ได้ดีที่สุด จอมพรานฝืนยิ้มสงสัยจะเป็นอย่างั้นครับท่านหัวหน้าคณะหันไปมองดูธนูซึ่งวางอยู่ข้างๆตัวของแง่ทรายผู้บัดนี้ลุกขึ้นมานั่งกอดเขา่าแล้วเหลือบกลับมาที่หน้าของจอมพรานอีกครั้งเป็นการดีมากนะที่คุณกำแงทรายไหวทันรู้ตัวล่วงหน้าแบบเนี้ยผมแน่ใจตั้งแต่เห็นคุณกำแงทรายทําธนูแล้วเพียงแต่ไม่อยากจะถามเท่านั้น เนั่นเชื่อแน่ได้ละสิว่าร่องรอยที่มากินซากช้างโบราณที่เราพบและเราพยายามคิดกันว่าเป็นสัตว์ฝูงธรรมดานะแท้จริงนะมันเป็นสัตว์ใหญ่มากชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าตัวเดียวกับที่ส่งเสียงคำรามให้เราได้ยินเมื่อยกๆนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ผมพูดได้แต่เพียงว่าสงสัยเท่านั้นเองครับคุณชายจนกว่าเราจะได้เห็นมันด้วยสายตาแหละครับ แล้วเขาก็เรียกขยินผู้กำลังเอาหัวกม้กมๆเงยๆอยู่ตามพื้นให้เข้ามาหาทุกคนเห็นสีหน้าของเจ้าอาดีตนักเลงโตหล่มช้างตื่นเลิกหลักเหมือนถูกผีหลอกเสียงที่เจราจาตอบคำถามของพรานใหญ่เร็วรหรือสั่นไปหมดทำมือทำไม้ประกอบไปด้วยครูหนึ่งต่อมาจอมพรานจึงหันไปทางคณะนายจ้างของเขาขยินได้ยินจากเสียงตามวิธีฟังกับแผ่นดินของมันบอกว่าได้ยิน เป็นเสียงกำลังขยํำฉีกเนื้อเยือ่อเคี้ยวกินอยู่น้ำหนักตัวสังเกตจากการเคลื่อนไหวใหญ่กว่าช้างหลายเท่าแต่จะงุ่มงาาถามซิว่ามันเลื้อยคลานหรือว่าเดินด้วยเท้ามาเร ล, ลืมตาพลูร้องถามมาโดยเร็วระพินหันไปส่งภาษากับขยินอีกสองสามประโยคขยินยังลงความเห็นไม่ได้นายเพราะเท่าที่มันฟังอยู่ในขณะนี้ เจ้าสัตว์ใหญ่ชนิดนั้นยังเคลื่อนไหวไปไม่ไกลนักนอกจากขยับตัวขนาดที่กินเหยื่อเท่านั้นต้องจับเสียงให้ได้แน่ชัดมากกว่านี้ดีมากให้ขยินคอยฟังเสียงไว้ทุกระยะทีเดียวนะเชตถาบอกแล้วหันไปทางแ ง, แง่ทรายแง่ทรายธนูของแกพร้อมดีเหรอองค์รักพิเศษของดารินไหวตัว เอื้อมมือไปหยิบคันธนูใหญ่ขึ้นมาตั้งฉากกับพื้นตาเป็นประกายจับอยู่ที่คันของมันอย่างมั่นใจพร้อมครับตายใหญ่ท่านหัวหน้าคณะยิ้มตกไหลแง่ท า, ายอย่างพอใจถ้าทางแกสงบและใจเย็นกว่าทุกคนและแกะก็รอบรู้สามารถไปทุกอย่างฉันอุ่นใจจริงๆที่ได้แกกลับคืนมาคู่กับระพินเช่นนี้เมื่อถึงเวลาจาเป็นจริงๆขอให้แกทางานให้ดีที่สุด อย่าให้พลาดได้นะแง่สา ย, สายและเชษฐาก็เรียกให้ทุกคนกลับเข้ามาประชุมรวมกลุ่มกันอยู่กลางแคมป์พรานใหญ่บอกให้คณะนายจ้างของเขานอนพักต่อไปอย่างน้อยอีกสักชั่วโมงก็ยังดีก่อนเวลาที่จะต้องตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเดินทางแต่ไม่มีใครคิดที่จะนอนได้ซะแล้วในภาวะเช่นนี้อีกประการหนึ่งทุกคนก็ได้รับการพักผ่อนกันมาอย่างเต็มที่แล้วจึงใช้เวลาให้ผ่านไปด้วยการระเตรียมข้าวของ ปรึกษาหารือและรอฟังเสียงการเคลื่อนไหวคืบหน้าของเจ้าสัตว์ใหญ่ลึกลับนั้นอย่างระแวดระวงังเตรียมพร้อมทุกขณะจิตบอกให้คนของคุณทุกคนรู้แล้วหรือยังละ่ะว่าเราอาจต้องผเผชิญกับอะไรทํานองไหนหัวหน้าคณะฐานเมื่อ น, นั้นเองระพินจึงโบกมือเรียกพรานพื้นเมืองของเขาทุกคนเข้ามาประชุมรวมหัวอธิบายให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไร และขอให้ทุกคนตระหนักเตรียมพร้อมไว้คนเหล่านั้นเพิ่งจะได้ทราบความจริงจากพรานใหญ่ทุกคนตื่นตกใจแต่ก็พร้อมและกล้าหาญขวัญดีสมแล้วรพินไพร์วันก็ไม่มีทางที่จะปกปิดอำพรางคณะนายจ้างของเขาต่อไปได้ในความจริงที่ว่าเขาและแง่ส า, ายพบร่องรอยอะไรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ลึกลับตัวนั้นภายหลังจากที่ได้ไปดูซากไดโนเทเรียมกันแล้วเมื่อเช้า ว, วานเชษฐา ชัยยันรับทราบอย่างสนใจระคนตื่นเต้นมาเรียมีหลายคําถามที่จะซักเพื่อเอาความจริงประกอบหลักฐานในข้อสรุปตามหลักวิชาของหล่อนส่วนดารินพอรู้ข่าวก็ฉุนกึกหมาดีจริงนะหล่อนกระแทกเสียงหนักๆในที่สุดก็เพิ่งมาเปิดเผยเอาเดี๋ยวนี้ทั้งที่ฉันพยายามพยายามจะถามคุณตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วคุณก็แงซทายก็ช่วยกันปกปิดกลบเกลื่อนใช่จะมาบอกกันตอนนี้ทําไมไม่รอวมันถึงตัวซะก่อนแล้วค่อยบอกนี่ อะไรต่ออะไรก็ดูจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยคนเนี้เป็นนิสัยที่ชอบหาเรื่องตอแยนี่ช่างเป็นนิสัยของเด็กทารกที่แก้ไม่หายเอาซะจริงๆค่อยหาโอกาสจะว่ากล่าวเขาเรื่อยระพินตัดอารมณ์อันขุ่นมัวของหล่อนไปให้พ้นตัวซะโดยไม่รับไวต่อเป็นงานเป็นการว่าความไม่แน่ใจและขาดหลักฐานสําหรับพิสูจน์ชัดๆทําให้ผมในฐานะพรานนาทาง ไม่สามารถจะพูดอะไรพร่อยๆได้ถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่เป็นความจริงคณะนายจ้างก็จะพิจารณาผมไปสักอย่างหนึง่งและนิสัยพรานป่าทั่วไปก็มีจุดอ่อนสําหรับให้ใครต่อใครที่จเจริญแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามักจะพูดอะไรเกินเลยความจริงเสมอผมจะกล้ายืนยันตามความรู้สึกของตัวเองได้ยังไงวะไอตัวที่มันมากินซากในโนเทเรียมตามร่องรอยที่เราเห็นอยู่นั้น่ะขนาดของมันควรจะสูงทัต้ตึกสีห้าชั้น และน้ำหนักตัวเป็นสิบสิ บ, สบตันซึ่งแม้ผมเองก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรรูปร่างควรจะเป็นยังไงแต่ไม่มีเหตุผลที่จะอ้างในข้อนั้นนะคุณยอมรับมาซะดีกว่าว่าคุณน่ะเป็นคนประเภทชอบนิ่งอมพันําและสงวนถ้อยคําเกินไปหล่อนเน้นคําว่านิ่งอมพันนำขณะที่มองตาอย่างมีความหมายแต่กระแสะเสียงหรือแววตาไม่ได้บอกให้ทราบว่าโกรธเคือง พวกเราทั้งหมดได้ผ่านพบและเผชิญกับอะไรต่ออะไรชนิดที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้มาเสจจนชาชินและเข้าใจดีแล้วเรายอมรับและเข้าใจมาตั้งนานแล้วนี่ว่าเราได้ผ่านมาดินแดนอันลี้ลับของโลกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกินเลยความรู้หรือหลักเกณฑ์เชื่อถือเดิมๆของเราเพราะฉะนั้นการที่คุณจะบอกกับเราในสิ่งที่มันแปลกประหลาดมหศัศจรรย์พันลึกสักขนาดไหนเราก็ไม่เคยหัวเราะเยาะหรือดูหมิ่นคุณเลย ส่วนมันจะเป็นความจริงได้แค่ไหนยังไงนั้นน่ะก็มาช่วยกันคน้นคว้าหาหลักฐานอีกทีหนึง่งถึงได้เคยสั่งไว้นักหนาว่ารู้เห็นหรือสงสัยอะไรก็อย่าปิดอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียวหลายสมองหลายความคิดแล้วก็หลไหลหลักวิชาจะช่วยกันหาทางป้องกันหลีกหลบหรือแก้ไขได้ล่วงหน้าทันท่วงทีดีกว่าจะให้มารู้เอาเมื่อสายไปซะแล้วในกรณีของเจ้าสัตว์ใหญ่ลึกลับนี้ ถ้าคุณยืนยันซะอย่างเดียวว่าคุณสงสัยว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงตอนนี้เราก็คงช่วยกันวิเคราะห์หรือตั้งสมมุติฐานขึ้นแล้วว่ารูปร่างหน้าตาและขนาดของมันควรจะเป็นยังไงเพื่อการเตรียมรับมือให้ถูกต้องตอนนี่คุณไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ทำให้พวกเรากระวนกระวายใจนึกคิดกันไปเองต่างๆนานาเมื่อเห็นคุณกางแงสยทําธนูขึ้นถ้าเช่นนั้นผมก็ยอมรับในข้อนี้ ผมอาจจะบกพร้อมไปก็ได้ขณะนั้นขยินกับส่างปลาผู้เอาหูแนบพื้นฟังอยู่ตลอดเวลาก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาเจ้าตองสู่ทรงภาษาพามา่าบอกความแก่มาเรียในขณะที่ขยินพูดกระเรียงกับพรานใหญ่นายมันเริ่ม อ, ออกเดินแล้วไปไกลทางป่าหินไม่ได้มาทางนี้ขยินได้ยินเสียงก้อนหินใหญ่พลิกมันเดินสองขาไปช้าๆหน่อยก่อนจะจบคาพูดของเจ้าคุณดงทั้งสอง ที่ช่วยกันรายงานเป็นรถไฟด่วนนั่นเองทุกคนก็ต้องสะกดกลั้นใจและเงียบกริบลงในทันใดมีเสียงแว่ว ค, ค, ค, คือคือคือคือมาให้ได้ยินเบาๆสามารถรับฟังได้โดยประสาทหูปกติชัดเจนพอสมควรทีเดียวเป็นเสียงของก้อนหินขนาดใหญ่พลิกเคลื่อนและเสียงดินถลายแล้วทั้งหมดก็แทบสะดุ้งเฮือกวาไปหมดทั้งตัวเมื่อแว่วเสียงคำรามขวักสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นอีกครั้ง จริงเหมือนอย่างที่เชิถาว่าไวเมื่อครู่นี้อนุภาพของเสียงคำรามนั้นราวกับใครอัดเสียงสิงโตเอาไว้แล้วขยายเสียงแรงสูงตั้งลำโพงหันหน้ามาทางแคมป์กำปนาตของคลื่นเสียงอันหนึ่งว่าหินผาในบริเวณแคมป์รอบด้านจะพลิกไหวอีทีนี้ชัดมากแฮะไม่ได้ฝันไปชยันครางดารินนั่งนิ่งเป็นตุกตาเชถาก็ดูเหมือนจะถูกสาดให้กลายเป็นหินไปชั่วขณะ ส่วนมาเรียกดไห่เจ้าท่าตองสู่ของหล่อนไวเชิงปลาาให้มันหยุดส่งเสียงเอะเพื่อจะได้เงี่ยหูฟังต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏเสียงร้องคำใดๆขึ้นอีกนอกจากเสียงหินพลิกเคลื่อนซึ่งห่างไกลออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็จางหายไปในความอ้างวางเปล่าเปลี่ยวของป่ายามใกล้รุ่งเดินสองเทา้าเคลื่อนไหวไปอย่างช้า มารียพูดขึ้นเหมือนจะกล่าวกับตนเองตามสิ่งที่หลอนได้รับรายงานจากส่างปาและลุกขึ้นอย่างผุนพลันตรงเข้าไปรื้อค้นอะไรที่ย่ามส่วนตัวของหลอนโดยไม่มีใครเข้าใจความหมายหรือสนใจกับการลุกพละไปจากวงของหลอนนักเชิถาถามประพินว่าขยินและส่างปามาบอกเช่นไรพรายใหญ่อธิบายให้ทราบในรายงานข้อสันนิษฐานจากการฟังเสียงอันชำนาญของลูกโดงทั้งสองนั้นก็ตรงกับหลักฐานที่คุณกรแงไซ เข้าไปพบและสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วสิไอ้มันเป็นสัตว์อะไรเดินสองขานอกจากกลิงกระหมี่ซึ่งจะใช้เดินเพียงบางขนาดนะแล้วก็ระยะสั้นๆเท่านั้นครับก็ข้อนี้แหละที่ทําให้ผมบอกอะไรไม่ถูกประสบการณ์ความชํานาญในเรื่องสัตว์ป่าของผมนะช่วยอะไรไม่ได้เลยครับมาเรียกลับเข้ามาร่วมวงอีกครั้งพร้อมกับสมุดบันทึกเก่าๆของหลอนและดินสอ เมื่อเช้าฉันไม่ได้ไปดูที่ซากไดโนเสารียมด้วยเลยไม่ได้เห็นร่องรอยอะไรและถึงแม่พวกที่ไปดูแล้วกลับมาก็ไม่มีใครมาเล่าฉันฟังสักคนก็มีน้อยเพียงคนเดียวที่เพิ่งจะมาเล่าให้ฉันฟังเมื่อตอนหัวค่านี่ซึ่งฉันเองก็ไม่ไสนใจนะักในตอนนั้นแต่ตอนนี้คิดว่ามันน่าสนใจซะแล้วละไพวันคุณกระเงซ า, ายได้ไปเห็นร่องรอยเหล่านั้นถนัดตาที่สุดและยังได้ตามไปค้นพบหลักฐานที่ทําให้คุณเชื่อมั่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย ฉันจะถามคุณเป็นข้อๆไปแล้วขอให้คุณตอบตามที่คุณรู้สึกและเห็นมานะครับผมจะให้คำตอบเท่าที่รู้และเห็นครับนักโบราณชีีศาสตร์สาวถามเขาเป็นข้อๆเริ่มตั้งแต่ลักษณะของป่าที่หักล้มรอบบริเวณซากไดโนเทเรียมลักษณะของซากที่ถูกกัดกินไว้สันฐานและขนาดของรอยเท้าและปริย่อยอื่นๆอีกครูใหญ่ชนิดละเอียดยิบ ยอมพรานให้คำตอบตามจริงที่เขากับแงซายเห็นมาตลอดเวลาทุกคนเห็นมาเรียนลาก ด, ดินสอสเก็ตภาพอะไรขยุกขยิกลงในกระดาษอย่างรวดเร็วชำนาญอากับกิริยาลักษณะของหล่อนยามนี้ดูผิดไปจากแม่สาวผู้ขี้เล่นและร่านสวาดอยู่เป็นนิดราวกับคนละคนเต็มไปได้วยความเคร่งครึมเอางานเอาการหน้าเลื่อมใส ย, ยิ่งนะักอึใจใหญ่ต่อมา หล่อนก็ฉีกกระดาษจากสมุดบันทึกขนาด4คูณ6นิ้ววางลงไปตรงหน้าของทุกคนที่นั่งล้อมวงกันอยู่ท่ามกลางแสงตะเกียงแบตเตอรี่ฉันคิดว่ามันคือไอ้ตัวนี้ถ้าจะพลาดไปบ้างก็เพียงประเภทและชนิดของมันเท่านั้นหล่อนบอกทั้งหมดจ้องภาพสเก็ตที่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนบนแผ่นกระดาษนั้นอย่างตะลึงงงชยันฉวยไปสองชัดๆใกล้แสงตะเกียง และตาเหลือกร้องลั่นว่าไดโนเสาร์มีอยู่สองประเภทที่ทำให้ยังเคลือบแคลงอยู่ในขณะ น, นี้ยกเว้นแต่ฉันจะได้เห็นร่องรอยเหล่านั้นด้วยตัวเองมันอาจจะเป็นกอรโกซารัสหรือไทแรนโนสารัสแต่ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ประเภทกอรโกหรือไทแรนก็ขอให้รู้เถิดว่าพวกเราทั้งหมดกำลังอยู่ในภาวะรับขันขีดสุดทุกคนตะลึงพึงเพลิดกันไปหมด ยันเค่อยๆหันไปมองหน้าเพื่อนผู้ร่วมคณะซึ่งแบบนี้ก็แลตากันอยู่ไปมานิ่งงันราวก็ถูกเย็บปากไว้ไม่อาจเอยคําใดออกมาได้ในขณะนั้นแน่ใจหรือเมเก้าสิบเปอร์เซ็นครับพใหญ่ประมวลจากร่องรอยหลักฐานต่างๆที่สอบได้จากไพรวันและงแงทายพอจะลงความเห็นได้เช่นนี้นอกจากเจ้าสัตวยักษประเภทเา้เรียนชนิดนี้แล้ว จะไม่มีชนิดใดสามารถทำร่องรอยได้อย่างนี้เดโนเสาร์เป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจที่สุดเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคยครองโลกมาแล้วแยกออกเป็นหลายพันมีทั้งชนิดที่กินพืชและกินสัตว์เป็นอาหารแต่ที่มีขนาดใหญ่และร้ายกาดเป็นอันตรายต่อสัตว์โลกมากที่สุดมีอยู่สองชนิดคือโกอโกและไทแรนแต่ชนิดแรกก็ยังไม่ร้ายกาเท่าชนิดที่สองถ้าหากว่ามันคือไทแรนโนซอรัส ก็แปลว่าเรากำลังจะเผชิญหน้ากับสัตว์ที่ไม่เคยมีสัตว์ชนิดใดในพิภพโลกมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปกว่ามันอีกแล้วนับตั้งแต่โลกเริ่มมีสิ่งมีชีวิตขึ้นความตื่นตะลึงต่อคำบอกกล่าวทำให้ทุกคนงุนงงไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากเชษฐาคนเดียวเท่านั้นอนดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะพูดกับมาเรียด้วยอาการอันสงบ ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นประหลาดใจใดๆทั้งสิ้นทั้งหลักวิชานะ่มันแตกต่างกันยังไงระหว่างพันกอโก้กับไทรั่นกโกนี่จะมีขนาดเล็กกว่าครับพี่ใหญ่เท้าหน้าทั้งสองมีเล็บเพียงสองข้างและฟันก็มีอยู่แถวเดียวเหมือนสัตว์อื่นทั่วๆไปแต่พันไทรั่นนะ่ะเป็นพันใหญ่ยักษ์มีฟันแหลมคมเต็มปากเหมือนกับเอาหอกไปติดไว้หลายแถวซอนกัน ไดโนเสาร์ประเภทที no ่กินเนื้อเป็นอาหารทุกพันจะมีขาหลังอันใหญ่โตแข็งแรงพยุงน้ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนสองขาหลังอันทรงพลังนี้ส่วนขาหน้าจะหดเล็กกุดสั้นติดตัวเวลายืนทรงตัวลำตัวจะเบนทำมุมกับพื้นประมาณ50องศาพร้อมกับพูดหล่อนชี้ดินสองลงไปยังภาพที่สเก็ตไวนอกจากปากอันประกอบด้วยกรามใหญ่แข็งแรง และฟันอันแหลมคมซึ่งใช้เป็นอาวุธสาหรับเล่นงานเหยื่อแล้วอาวุธสำคัญอีกชนิดหนึ่งอยู่ที่หางอันมาคือมาซึ่งจะใช้ฟาดและตีได้เหมือนหางเจอระเคหรือตะกวดดูเหมือนจะร้เส้ยิ่งกว่าฟันซะอีกเพราะสมีของหางนักกวาดไปได้ไกลกว่าความไร้กาดนี้จะมีได้เพียงไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวด้วยใหญ่ขึ้นไปอีกเท่าไรก็มีพลังเพิ่มขึ้นเท่านั้น สายตาทุกคู่มองจับพิจารณาลงไปยังภาพสกเก็ตของมาเรียซึ่งวางแผ่ไว้ท่ามกลางแสงตะเกียงอีกครั้งภาพนั้นเป็นภาพของสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งต่างก็คุ้นตากันดีอยู่แล้วจากภาพวาดหรือหุ่นจำลองซึ่งทางโบราณชีวาสตว์กำหนดโครงรูปไว้สำหรับใช้ศึกษาเป็นสัตว์ดึกดาบรรชนิดเดียวที่รู้จักแพร่หลายกันดีที่สุด แม้จะไม่ใช่นักวิชาการโดยเฉพาะมันคุ้นหูคุ้นตาแต่ในทางภาพและหุ่นจำลองของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ใครเล่าจะคิดว่าภาพขอ ง, ของสัตว์ทึ่ปัจจุบันกลายเป็นภาพฝันไปแล้วจะมีเลือดเนื้อและชีวิตจริงขึ้นมาเพื่อมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ผ่านพบพร้อมทั้งกลายเป็นปัญหาหนักที่สุดเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชีวิตซึ่งแน่ลัก ถ้าหากมันยังเดินเพ่นพ่านหาเยืออยู่ในบริเวณที่ทั้งคณะกำลังจะเดินทางผ่านไปแต่ไหนแต่ไรมาพรานใหญ่ระพินไม่เคยนึกที่จะศึกษาสนใจกับเจ้าสัตว์โบราณชนิดนี้นอกจากจะปัดมันไว้ให้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาทางซากโบราณดิฉะนนั้นก็เป็นเรื่องของทารกอมมือที่ดูหนังการ์ตูนเป็นประจำตบัดนี้โดยภาพสเก็ตของมารีอาฮอฟมัน ประกอบกรร่องรอยหลักฐานต่างๆที่ตนเองได้ประสบพบเห็นมารวมทั้งสัมเนียงประหลาดที่คำรามมาให้ได้ยินเมื่อหยกยกนี่เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับมันชชละภาพนั้นยืนด้วยขาหลังอันใหญ่โตแข็งแรงสองขาประกอบด้วยเล็บตีนและลักษณะอุ้งตีนกับโคนหางและไม่ผิดอะไรกับจระเข้หรือตะกวด เท้าหน้าทั้งคู่เล็กผิดส่วนงอชิดอกเหมือนจะเป็นเพียงติ่งที่โผล่ออกมาเท่านั้นลำตัวอวบหนาเถอะตรงบั้นท้ายและสะโพกเรียวเล็กไปสู่อกตอนบนและศรีรษะซึ่งมีทรงกระโหลกด้านบนแบนราบกระบอกตาด้านบนตั้งเป็นตั้งเป็นขอบกรามกว้างใหญ่แข็งแรงอุดมไปได้วยฟันสี่ใหญ่แหลมคมเต็มปาก อาได้กว้างเต็มที่เช่นเดียวกับปากงูหรือจระเข้เพราะความยาวของลำตัวและเพราะจะต้องยืนทรงกายอยู่เฉพาะเพียงขาหลังลักษณะที่ยืนจึงแลเหมือนอาการยืนของนกยีวีหรือเพนกวินไม่ก็อาการยืนของจิงโจ้มาเรียรอบคอบและแต่ไม่ได้หลักวิชาอย่างนักศึกษาแท้จริงหล่อนไม่ได้เขียนเฉพาะภาพเฉยๆหากแต่ขีดเส้นสเกลคานวณหาส่วนสัต์ และขนาดโดยอนุมานเอาไว้ให้ด้วยแต่เขายังดูไม่เข้าใจนะักความจริงเจ้านี่มันเป็นเพื่อนเก่าผมมานานแล้วคบหาคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กจากภาพในรูปสำหรับร่อนเล่นบ้างจับตุ๊กตาบ้างรู้จักแต่ว่ามันคือไดโนเสาร์สัตว์โบราณแต่ไม่เคยรู้หรอกว่ามันแยกแยะออกไปเป็นพันอะไรต่ออะไรและที่ไม่รู้แน่ๆก็คือ ไม่รู้ว่าในชีวิตของการเป็นพรานของผมหรือของใครก็ตามจะมีโอกาสโชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งจำนวนร้อยล้านครั้งในการที่ได้พบมันครับครั้งนี้ผมเห็นจะต้องเป็นฝ่ายขอทราบรายละเอียดจากคุณบ้างละไมเพื่อประกอบการพิจารณาทางหนีทีไล่ของเราอ่ะสงสัยอะไรก็ถามมาที่ไพร์วันฉันยินดีที่จะให้รายละเอียดที่สุดเท่าที่ฉันมีอยู่ ขาหน้าของมันคู่นี้อ่งไมเขาพูดพร้อมกับชี้ไปยังภาพท่ามกลางการล้อมดูของทุกคนมันเล็กรีบมากดูว่าไม่สามารถจะยันรับน้ำหนักตัวตอนบนไว้ได้แม้แต่ขนาดที่มันจะก้มงบลงมาตามทัศนคของนักโบราณชีวศาสตร์คุณคิดว่ามันมีไว้สำหรับประโยชน์อะไรมาเรียเอาด้ามดินสอใส่ปากกัดฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน่ าสมมุติที่นักโบราณชีวศาสตร์กาหนดออกมาเช่นนี้กาหนดจากโครงกระดูกสมบูรณ์ของมันขุดค้นพบเต็มตัวอยากจะเชื่อตามความเข้าใจของฉันเองว่ามีไว้สำหรับแต่เพียงเกาะตะกายหรือช่วยฉีกเหยื่อเท่านั้นไม่ได้มีไว้เดินหรื อ, อยันตัวมันดูเล็กรีบกุดสั้นจริงแต่แข็งแรงโครงกระดูกเป็นหลักฐานยืนยันเช่นนั้นนะม ตอนที่เราไปตรวจที่ซากไดโนเทเรียมเราพบรอยเท้าคู่หน้าของมันอยู่แถวใกล้ๆเยื่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอดารินถามเปรยขึ้นจากความเงียบงันอยู่เป็นเวลานานไม่มีใครตอบข้อเปรยของหลอนหลักฐานจากข้อสันนิษฐานของระพินและงแง่ทรายดูจะตรงกับลักษณะภาพวาดของมาเรียอยู่แล้วจอมพรานเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงจ้องขม็งอยู่ที่ภาพจาลองของเจ้าสัตว์ยุค ก, ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างขึ้นจากมโนภาพและพื้นฐานความรู้ของมาเรียส่วนที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือบ้องหางอันอวบมหือมาและยาวอันหมายถึงพลังมหาศาลถ้าดูตามสเกลอัตราส่วนนี้ต่อให้ช้างไดโนเทเรียมขนาดใหญ่หากถูกหางมันฟาดทีเดียวก็คงหลุดกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งดูน่าสะเพงกลัวหวาดเสียวที่สุดคือปากที่มีขากรไกกว้างใหญ่เต็เมไปด้วยฟันประดุดใบหอก อย่าว่าแต่ร่างกายของมนุษย์ตัวเล็กๆหรือสัตว์ประสัตทั่วไปเลยต่อให้รถบรรทุกสิบล้อทั้งคันก็มีหวังขาดสะบั้นย่อยยับเป็นผงถ้ามันขบขย่ำลงมาเชษฐาวราฤทธิ์ดูจะอ่านความคิดของเขาออกท่านหัวหน้าคณะเองก็กำลังเพ่งส่วนสัตว์ของเจ้าต้นตระกูลตะกวดนั้นอยู่เหมือนกันถ้าเราถือเอรูปร่างลักษณะของมันตามภาพวาดของมยเป็นบรรทัดฐาน ก็มาช่วยกันพิจารณาให้ดีแล้วกันรพินผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดอ่อนในร่างกายและลักษณะของมันอยู่บ้างเหมือนกันนะต่อให้มันดูใหญ่โตหน้ากลัวสักเพียงไหนก็ตามพ่านใหญ่เหลือบขึ้นมองแหม่สาวซึ่งจะเป็นกุญแจไขข้อข้องใจและปัญหาให้แก่เขาอย่างดีที่สุดเพื่อประกอบการพิจารณาไคร่ครวนถึงทางนี้ที่ไล่ซึ่งถ้าหากเขาและทุกคนยอมเชื่อในทฤษฎีหลักเกณฑ์ของหล่อน พอจะบอกถึงธรรมชาตินิสัยทั่วๆไปได้ไหมมีก็ดุร้ายอมหิตแล้วก็เลือดเย็นกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสดหรือเน่าเหมือนตะกรวดหรือเสือตามปกติแล้วจะท่องเที่ยวหาซากสัตว์ที่ตายเน่าเป็นอาหารแต่บ่อยครั้งเหมือนกันที่จู่โจมเขาเล่นงานสัตว์มีชีวิตอื่นๆที่มันดักซุ่มอยู่หรือบังเอิญผ่านมาพบโดยสัตว์นั้นๆจะอยู่ในรัศมีที่มันจะเล่นงานได้ โดยหนีไม่ทันหรือสู้ไม่ได้จะใช้ทั้งหางและปากเข้าเป็นอาวุธโจมตีกดขยำ่ำและฉีกเหยื่อย่อยยับเป็นชิ้นๆเหยื่ยอของมันเป็นสัตว์ในยุคเดียวกันซึ่งส่วนมากเป็นประเภทไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารและตัวเล็กกว่าเออแล้วระบบประสาทสัมผัสเป็นยังไงบ้างหมายถึงหูตาและจมูกอะ่ะไม่มีรายงานเกี่ยวกา ไม่มีรายงานละเอียดของนักโบราณชีวิษาที่อธิบายไว้เกี่ยวกับระบบประสาทของเจ้าไดาโนเสาร์ประเภทกินเนื้อประเภทนี้แต่ฉันคิดว่าคุณเองในฐานะที่เป็นนักสัตวศาสตร์และพรานผู้ชำนาญคนหนึ่งน่าจะวิเคราะห์ได้ถูกโดยเปรียบเทียบเอาการะสัตรเลื้อคลานเลือด เ, เย็นที่กินเนื้อเป็นอาหารประเภทเฮี้ยตะโกดหรือจะระเข้เพราะมันอาจใกล้เคียงกันก็ได้ถ้าเช่นนั้นก็ควรจะตั้งเป็นสมมุติฐานว่า ระบบจักรสุและโซดอยู่ในขั้นพอใช้ได้แต่คาณ์ประสาทที่อาจจะเร็วมากจมูกคงไม่ไวต่อกลิ่นนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นเน่าครั้นนี้คุณพอจะให้ขนาดและส่วนสัตว์ที่ใกล้เคียงได้ไหมละ่ะเมมาริยักไกล ย, ยิ้มเลี่อนเลียดคุณน่าจะคํานวณขนาดและส่วนสัตว์ของมันได้ใกล้เคียงกว่าฉันซะอีกนะเพราะคุณได้ไปเห็นร่องรอยของมันมาแล้วแต่ฉันยังไม่เห็น แต่ตามรายงานที่ค้นพบจากซากโครงกระดูกนั่นเจ้าตัวใหญ่ที่สุดของพันธุ์ไทแรนโนโซอรัสเมื่อยืนยืดขึ้นเต็มที่แล้วมันจะสูงประมาณ50ฟิตหรือประมาณ16เมตรเศษรอยเท้าอันแสดงถึงการก้าวย่างจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งค้นพบปรากฏประทับรอยไว้ในเหมืองถ่านหินวัดได้13ฟิต6นิ้ว ชายันสกิดระพินกระซิบว่าตอนที่คุณกระแงทรายสันนิษฐานไวแต่แรกขณะที่เราพบรอยใกล้เคียงกับรายงานของเมที่สุดละตึกสีห้าชั้นผู้กองแต่ผมคิดว่าไอตัวที่มากินซากไดโนเทเรียมไว้มันน่าจะใหญ่กว่าซากโครงกระดูกที่นักสำรวจเคยค้นพบซะอีกนะยอมพลยกมือขึ้นรูปลายคางอย่างใช้ความคิดเขาหววนึกไปถึงภาพของเศษเนื้อและหย่อมเลือด ซึ่งลอยสูงขึ้นไปติดเรียราดอยู่บนยอดไยัยรอบอาณาบริเวณซึ่งแสดงให้ทราบถึงส่วนสูงของมันว่าน่าจะเป็นส่วนสูงที่มากกว่ารายงานข่าวของมาเรียด้วยซ้ำไปตลอดจนรอยหักราพนาสูนของปา่าภัยตามทิศทางมาและไปของมันและช่วงห่างของรอยเท้าแต่ละข้างซากโครงที่เป็นตัวอย่างอันใหญ่โตที่สุดซึ่งนักสำรวจค้นพบ ก็น่าจะเล็กไปซะแล้วขณะนายจ้างทุกคนสังเกตเห็นความกังวลหนักใจผ่านไปในคาวหน้าอันเคร่งเครียดนั้นสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้ามันจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็คงจะเป็นตรงนี้ในที่สุดพรานใหญ่ก็เอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาพร้อมกับชี้ให้ทุกคนดูในภาพขาหลังเพียงสองข้างที่แบกรับน้ําหนักอันมากมายไว้ทั้งหมดโดยที่ขาหน้าอันสั้นกุดและเล็ก ใช้ประโยชน์ในการเดินไม่ได้มันจะเดินหรือวิ่งด้วยขาหลังคู่นี้เท่านั้นลักษณะของลําตัวจะต้องยืดตั้งขึ้นซึ่งไม่สมดุลนักประกอบกระหางที่ทวงอยู่เบื้องหลังเพราะจะถือเป็นข้อวินิจฉัยได้ว่ามันขาดความคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วเคลื่อนที่ไปไม่ได้ว่องไวรวดเร็วนักแม้จะเป็นช่วงของก้าวที่ยาวก็ตามแต่ในเวลาจวนตัวจริงๆเราอาจใช้ความฉลาดประกอบกระร่างกายที่เล็กจิ๋วของเราซึ่งเมื่อเทียบกับมัน วิ่งหนีหลีกลบได้โดยที่มันไม่สามารถจะไล่ได้ถนัดโปรดสังเกตที่คออันสั้นติดกระลำตัวของมันด้วยนะครับการที่มีคอสั้นจะทำให้มันไม่สามารถก้มลงมาขย่ำเราซึ่งมีรูปร่างเตี้เล็กได้โดยสะดวกผมอยากจะคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่เมื่อเทียบกับเราแล้วดูจะมดเป็นมดกระช้างก็จริงแต่มันก็เสียเปรียบในด้านเชื่องชาและงุ่มงามนะครับแต่ต้องไม่ลืมด้วยนะ ว่าเราวิ่ง29เท่ากับมัน9้าเพียง9้าเดียวเท่านั้นนะนักมนุษยวิทยาสาวผู้ตลอดเวลานิ่งฟังเงียบเงียบแย่งมาแผวเบาเกือบจะเป็นกระซิบมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและเหตุการณ์เป็นสำคัญนะครับถ้าเราพบมันกลางทุ่งโล่งปราศจากที่กำบงังก็เห็นจะต้องใช้ไหวพริบให้มากๆหน่อยหาที่หลบให้ต่าเข้าไวจะปลอดภัยกว่าหลบขึ้นที่สูง ผมเชื่อว่าตัวสูงในระดับมนุษย์ปกติเช่นเราเนี่ยสามารถวิ่งล่อใต้ท้องมันได้สบายและถ้าจวนตัวจริงๆอ่ะเข้าชิดตัวมันเอาไว้ดีกว่าจะหนีออกห่างนะครับผมว่ามันน่าจะมีความคล่องตัวพอสมควรทีเดียวนะสังเกตดูจากรูปร่างลักษณะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไวกว่างูใหญ่ที่เราพบที่ลมช้างน่ะเชิดากาวอย่างตรตรองคร่ครวน น้ำหนักตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณากันให้มากนะดูจากรอยเมื่อเช้า ว, วานันผมยังเดาไม่ถูกว่ามันจะหนักสักขนาดไหนเพราะรอยเท้าไม่ปรากฏให้เห็นบนพื้นชัดนักแต่ถ้าจะวัดระดับจากส่วนสูงโดยร่องรอยของเศษเนื้อที่กระจายขึ้นไปบนยอดไม้ก็ทําให้คิดอยู่ว่ามันควรจะสูงใหญ่มากผมกะว่าอยู่ในระวางไม่ต่ํากว่า 25-35 ตันละ่ะ พื้นของป่าแถบนี้เป็นยอดเขาสูงที่เต็มไปด้วยหินแข็งไม่มีที่ดินร่วนซุยหรือดินโคลนข้างใต้เลยเพราะฉะนั้นรอยของมันจึงไม่ปรากฏประทับลงไปได้ลึกนะักอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงการคาดคะเนหาสมมติฐานขึ้นเท่านั้นจนกว่าเราจะได้เห็นตัวจริงของมันซึ่งอาจเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าที่เราคิดกาหนดกันไวน้นี้อย่างมากมายก็ได้ชยันขยับคอเสือ้อยางอึอดอัด น้ำหนักตัวและความใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้มันคงจะย่องเข้ามาใกล้ๆเราอย่างเงียบๆไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบชนิดหนึ่งของเราแหละถ้ามันมุ่งหน้าเข้ามาเราควรจะต้องรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอในระยะสองกิโลเมตรมันก็ช่วยให้เราได้เตรียมตัวสําหรับทางนี้ทีไรได้ทันบ้างสําคัญที่สุดก็คือมันไม่ได้เข้ามาหาเราแต่เราสิบังเอิญไม่รู้ตัวเดินเข้าไปใกล้มันเอง แล้วก็ประจันหน้ากันในระยะประชิดเกินกว่าที่จะหลบดีกได้ซึ่งก็จะเป็นอันตรายที่สุดในกรณีนี้ผมเกรงว่ามันจะเกิดขึ้นตามบริเวณที่ป่าหินซึ่งเป็นภูมิประเทศทั่วไปอยู่แล้วของแถบนี้มันอาจจะหมอบซุ่มอยู่นิ่งๆปะบนกลืนไปกับก้อนหินทำให้เราสังเกตไม่ได้กว่าจะไปรู้อีกทีก็ตอนที่มันขยับไหวตัวแล้วเราก็เข้าไปใกล้ในระยะอันตรายซะและ้ว และจุดรวมประสาทละ่ะควรจะอยู่ที่นี่แน่นอนหรือเปล่าเชษฐาว่าพร้อมกับชี้ไปที่บริเวณศรีรษะของภาพจริงอยู่เรามีแผนกันอยู่ว่าจะใช้อํานาจระเบิดเข้าหยุดยัง้งหรือทำลายมันเมื่อเวลาจำเป็นมาถึงแต่ต้องคำนึงถึงความจริงด้วยนะว่าเราอาจไม่มีโอกาสได้ใช้ธนูติดระเบิดได้แน่นอนและหวังผลเลิศได้เสมอไปและจะหวังพึ่งแต่ระเบิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถ้าประจันหน้าและจวนตัวใครจะถือปืนไว้เฉยๆมันก็จะต้องซัดกันไปตามมีตามเกิดลอะอะแล้วคุณคิดว่าแรงประทะตั้งแต่ห้าพันฟุตปอนขึ้นไปพอจะเจาะกระโหลกเข้าไปถึงสมองของมันได้บ้างไหมจอมพลานเหลือบตามองดูผู้พูดนิดนึงและเอานิ้วจับสันจมูกในท่าคิดหนะักมันก็พูดยากนะครับต้องเห็นขนาดแท้จริงของมันซะก่อนก็ พอจะคำนวณกันได้ว่าอนุภาพลูกไรเฟิลของเรานะ่ะพอจะทำลายมันได้สักแค่ไหนแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันจะเกินกำลังลูกปืนของเราไปหลายเท่าตัวจริงอยู่ถ้ามันเป็นเป้านิ่งให้เรากระหน่ำยิงเอาข้างเดียวหลายๆนัดมันก็คงตายเหมือนกันแต่ถ้าขนาดที่เรายิงมันก็ไล่ขย่ำไปพลางผมคิดว่ากว่ามันจะตายหรือเพียงแค่บาดเจ็บพวกเราทั้งิบสองชีวิตก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันหมดแล้ว อาจเหมือนเอาปืนลมไปยิงช้างก็ได้โครงกระดูกและเนื้อของมันจะต้องใหญ่โตมโหฬารและหนาทึบมากดีไม่ดีลูกปืนของเราเจาะไม่ถึงอวัยวะภายในซะด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามแทนที่จะมุ่งศีรษะของมนันเป็นเป้าหมายรวมผมคิดว่าเรามุ่งแต่เฉพาะลูกตาของมันก็น่าจะได้ผลมากขึ้นนะครับในตาของสัตว์ยักษ์จะต้องเป็นเป้าหมายให้เราเล็งยิงได้ไม่ยากนะักและสัตว์ทุกชนิด ถ้าตาบอดสิอย่างเดียวริทเดตของมันก็จะถูกจำกัดลงโอกาสจะเป็นของเราเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะหนีหรือสู้เป็นการดีเหลือเกินนะที่เรามีโอกาสได้ปรึกษาหารือซักซ้อมความเข้าใจกันซะ ก, ก่อนเกี่ยวกับเจ้ามาหายักษ์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะต้องวางแผนทั้งนั้นแหละเพื่อความรอบคอบรัดกุมที่สุดชยันพูดขึ้นความจริงอะ่ะควรจะมีการพูดอย่างตรงไปตรงมา และ ว, วางแผนกันไว้ให้พร้อมก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำนะถ้านายพรานของเราไม่ทำตัวเป็นคนปากหนักอยู่เพิ่งจะมาเปิดเผยอยเดี๋ยวนี้ดารินอดไม่ได้ที่จะติงชำเลืองคอนเขานิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่สายเกินไปหรอกเชษฐาสรุปบทแล้วหันมาทางพรานใหญ่เอาล่ะขอให้พวกเราทุกคนยึดถือว้าเป็นหลักก็แล้วกันนะว่าถ้าไม่ได้เป้าหมายลูกในตาของมันเราจะไม่ยิงให้เปลืองกระสุน อ่ะประเดี๋ยวคุณก็เรียกประชุมคนของคุณอธิบายให้ทราบถึงทางหนีที่ไล่เหล่านี้ไว้ให้เข้าใจทุกคนด้วยแล้วกันรับผินรับคำก่อนที่เขาจะพละไปยังกลุ่มพรานพื้นเมืองชา ย, ยันก็ถามมาอีกว่าคุณเข้าใจอย่างผมหรือเปล่าผู้กองความจริงอะมันบ่ายหน้ามากินซากไดโนเทเรียมซ้ำอีกในตอนหัวรุ่งนี่แต่บางเอินพบเหยื่อที่มีชีวิตอื่นซะก่อนจึงจู่โจมเขาเล่นงานเสียงร้องคำราม เสียงต้นไม้หักและดินถล่มเมื่อกี้นี้เป็นเสียงของการต่อสู้ด้วยข้าวหน้าอันเต็มไปด้วยริ้วรอยเครียดพรานใหญ่ฝืนยิน้มตอบว่าผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละครับโชคดีสำหรับเราเหลือเกินในคืนนี้ที่ทำให้มันพบเหยื่อและจับ ก, กินซะก่อนถ้ามันไม่พบอะไรมันจะตรงไปที่ซากไดโนเทเรมและโดยทิศทางของมันผมเข้าใจว่าอาจต้องผ่านที่พักของเราด้วย นี่มันหยุดอยู่เพียงแค่ซากเหยื่อใหม่พออิ่มแล้วก็เลยบายหน้าไปแต่วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับรัศมีท่องเที่ยวหาเหยื่อของมันป้วนเปลี่ยนอยู่ใกล้เคียงเรามากจะปะหน้ากันเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องถือว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปพวกเราทั้งหมดอยู่ในเหตุการณ์วิกฤตคับขันต้องเตรียมพร้อมทุกขาดจิตครับเชิด้ายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอีกครั้ง ทางแง่มองดูอากาศรอบตัวเกือบหกโมงเช้าแล้วรพิมเราจะเจอกันยังไงนี่ตามแผนเดิมครับสว่างมองเห็นทางชัดเมื่อไร่เราจะเริ่มต้นเดินทางขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมสําหรับการเคลื่อนย้ายได้เราจะกินอาหารมื้อแรกของวันที่นี่ก่อนเดินทางครับท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าแล้ยักษ์ใหญ่ที่มันมีอาการเหมือนจะมาเป็นอุปสรรคปราการขวางกั้นการเดินทางของเราไว้นั่น เจ้ายังไงกําหนดแผนแน่ๆซะเลยสิคุณชายคิดยังไงครับระบบบันกันมานี่นะไม่ได้คิดที่จะมาล่าไดโนเสาร์แต่มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการเดินทางของเราซึ่งขณะนี้ก็มีกําหนดระยะเวลาที่จํากัดตายตัวเสด้วยเพราะฉะนั้นหาทางหลีกหลบมันให้ได้ระพินและทําเวลาเดินทางของเราให้ได้มากที่สุดด้วยจอมพรานก้มศีรษะคํานับนายจ้าง รมกับตอบเสียงห่าวต่ำว่าครับคุณชายผมเองก็ไม่อยากจะพะชืญหน้ากับมันหรอกยกเว้นแต่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเท่านั้นเตรียมตัวเถอะครับอีกภายในไม่เกินชั่วโมงนี้เราจะเริ่มเดินทางแล้วและับพินไทรวันก็แยกไปทางกลุ่มพรานพื้นเมืองที่กำลังนั่งล้อมวงเตรียมรับทราบคาสั่งอยู่ในที่สุด รัศมีแรกของอรุณก็สาดแทรกกลุ่มหมอกเรืองรองลงมาพอจะมองเห็นหน้าลายมือได้ถนัดทั้งคณะเสร็จสิ้นอาหารมื้อแรกแห่งวันเก็บของรื้อถอนแคมป์เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางได้ภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าระพินไพยวันสั่งให้ดับไฟราฟืนหมดทุกกองสัมภาระทุกขีปหอผนึกมัดแน่นเข้าประจำหับหามเรียบร้อยเมื่อแงซายได้กลับคืนมาร่วมคณะแล้วเช่นนี้ ขบวนลูกหาบจึงประจําเข้าคู่กันตามเดิมคือขยินคู่กระแงทรายบุญคํากับจันและเกิดกับเซย์รวมเป็นสาคู่ของการหาบส่วนสางปาแยกสะพายห่อของเดี่ยวคนเดียวซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของมาเรียครึ่งหนึง่งและเข้าของส่วนกลางอีกครึ่งหนึง่งตัวของเจ้าตองสู่เล็กก็จริงแต่บึกบืนแข็งแกร่งนักในด้านบรรทุกเมื่อเบาไรเฟิรไปอีกระบอกหนึ่ง เพราะได้รับคำสั่งให้คืนปืนกระบอกนั้นไปให้แงซสายซะแล้วเช่นนี้ก็ไปชดเชยแบกหนักในด้านสัมภาระข้าวของเพิ่มขึ้นซึ่งส่างปาไม่เคยเกี่ยงงอนระหว่างที่พรานใหญ่เดินตรวจดูความเรียบร้อยของขอบวนหบหามคณะนายจ้างก็ผลักกันรัดสายเข็มขัดของเป้ประจำตัวติดหลังและตรวจสอบความเรียบร้อยรัดกลุ่มของตัวเองเพื่อการผจญภัยหนักต่อไป ดารินวราริษเป็นคนมีสายตาอันเฉียบวัยและละเอียดอ่อนตามนิสัยหล่อนเพิ่งจะสังเกตเห็นใบหน้าของมาเรียได้ถนัดในขณะที่แมมสาวยันเท้ากับก้อนหินเพื่อจะผูกมัดสายท็อปเดินป่ารอยบวมเจือที่มุมริมฝีปากและรอยช้ำเขียวรางๆซึ่งผ้าจากขาไกลเป็นแนวลงมาจนถึงปลายคางทำให้ผิดสังเกตในสายตาของหมอดารินยังไงพี่กหล่อนจ้องเงียบๆอยู่ก่อนแล้ว พอเพื่อนสาวต่างผิวสะบัดผมเงยหน้าขึ้นก็ยิ่งเห็นถนัดเมเยสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทันเฉลียวคิดว่ากำลังถูกจับสังเกตขม็งอยู่หน้าไปโดนอะไรมาช้ำเขียวแล้วดูเหมือนปากจะแตกด้วยนะคำถามนั้นทำให้มาเรียกเกือบสะดุง้งรีบเมินหน้าหนีไปสะทางหนึ่งโอ้เปล่าแม่มสาวร้องเสียหัวรอกกลบเกลือน อุบัติเหตุนิดหน่อยอ่ะอุบัติเหตุเหะอะไรเมื่อตอนหัวรุ่งเนี่ยขณะที่ฉันอยู่ยามเดินสองไฟตรวจรอบๆบริเวณน่ะมาเรยออึกอักหาคำตอบอยู่ครู่ก็อ้อมแอมออกมาเกือบจะเหยียบองูเห่าที่ซอกหินริมเนินน่ะอารามตกใจถอยหลังหนีเลยหลุดพ้นเนินล้มกลิ้งลงไปหน้ากระทบหินนิดหน่อยเท่านั้นแหละน้อย เชฐากระชัยันกำลังยืนต่อบอรีอยู่ใกล้ๆได้ยินคำพูดจาซักถามของสองหญิงอย่างถนัดเพราะไม่ห่างออกไปนักเชิถาหันไปมองสวนชยันหน้าเพื่อหันเมินไปซะอีกทางหนึ่งหมอดารินทำท่าจะยุ่งซะแล้วเขาคิดอย่างใจหายในขณะเดียวกันก็เสียใจในการกระทําของตอนเองเท่าๆกับที่บังเกิดความคาระวะยกย่องน้าใจของแม่มสาวจนบอกไม่ถูก มาเรียมีใจเป็นนักกีฬาและหนักแน่นน่ารักเหลือเกินแต่หมอดารินไม่ใช่คนที่ใครจะมาหลอกได้ง่ายๆมือของหล่อนผูกสายหนังของสองปืนสั้นติดกระโคนขากันแกว่งแต่ตาไม่ยอมเปลี่ยนจากเพื่อนสาวหนไม้ฉันดูหน่อยสิเมอย่าสนใจเลยนาะน้อยฉันไม่เป็นอะไรมากนักรอกโธ่เรื่องเล็กแค่นี้เองแม่สาวผมทองตับบดบท ไม่ยอมหันกลับมาเผชิญหน้าดารินแล้วรีบเดินผละไปพูดอะไรกระสังปาคนของหล่อนเสียราชสกุลสาวขมวดคิ้วนิดนึงอย่างแคลงใจแล้วเหลือไปทางพี่ชายกับเพื่อนหนุ่มผู้ยืนอยู่ข้างๆพบสายตาของพี่ชายมองอยู่ก่อนแล้วก็พูดต่ำๆเปรยๆขึ้นว่าแปลกทำไมอ่ะน้อยพี่ใหญ่ไม่สังเกตหรอคะหน้าเหมือนกับรอยช้ำยังก็ถูกใครตบเอาอย่างนั้นแะ หล่อนพูดพร้อมกับหัวเราะหึก็เจ้าตัวเขาบอกว่าล้มลงไปฟาดกับหินไม่ใช่หรอโก้ อ, อกคนอื่นได้แต่โก้หกหมอไม่ได้หรอกคะ่ะพี่ใหญ่รอยกระแทกกระหินน่ะมันอย่างหนึง่งแล้วก็ทำพิรุษยังไงพิกตจะดูแผลให้ก็ไม่ยอมให้ดูนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะ้าน้อยชัยยันปั้นหน้าเฉยพูดมาเรียบเรียบดารินมองหน้าพี่ชายมองหน้าชายัน แล้วก็ยักไหล่ไม่กล่าวอะไรอีกเหลือเวลาอีกประมาณหนาทีก่อนเริกออกเดินทางหล่อนเดินตรงเข้าไปที่แงซายซึ่งบัดนี้เจ้าคนใช้พิเศษของหล่อนยืนกอดอกกระงานแววตาเป็นประกายสุขใสจ้องฝ่าสายหมอกอันจางลงเป็นลำดับออกไปยังราวป่าเบื้องหน้าห่างไกลจากพวกพ้องคนอื่นๆทุกคนมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเอามือตบที่แผงอกกระงานนั้นทักเสียงใส เป็นยังไงองครักของฉันเช้าวันนี้ดูสดชื่นแข็งแรงดีมากนี่ครับนายหญิงเสียงทุ้มกลางวานขานรับพร้อมกับยิ้มที่เปิดเผยให้เห็นฟันทั้งสองแถวเรากําลังจะออกเดินทางภายในไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้แล้วถือพร้อมหรื อ, อยังพร้อมเสมอครับนายหญิงดีมากเราจ ะ, ะเผชิญหน้ากระทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งแต่อยากจะสั่งไว้หน่อยนะแง่ทาย ฉันเป็นห่วงสุขภาพของเธอไม่แน่ใจนักว่ามันจะดีได้สักแค่ไหนเพราะเธอเพิ่งฟื้นป่วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกมีอาการผิดปกติยังไงอย่านิ่งเฉยไว้บอกให้ฉันรู้ทันทีนะแง่าสายก้มศีรษะอย่างอ่อนน้อมรับคำดารินยิ้มให้ตบที่อกนั้นอีกครั้งแล้วเดินเข้าไปทักทายกลุ่มพรานพื้นเมืองทุกคนที่ยืนชุมนุมกันอยู่ด้วยนิสัยอันอบอ้อมอารีและสัญชาตญาณของหมอ ผู้จ่าปราัยด้วยแม่กระทั่งขยินผู้ซึ่งพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักโดยมีเสยทำหน้าที่เป็นล่ำให้อดีตนักเลงโตโหล่มช่างหัวเราฮ่าฮ่าฮ่มองดูนายหญิงอย่างรักเคารพจับใจเมื่อนายหญิงถามว่าหนทางข้างหน้าเราคงจะลำบากกันกว่าที่แล้วนะเราอาจตายกันหมดก็ได้เจ้ากลัวตายไหมขยินทุกคนกลัวตายนายหญิง แต่ตายอย่างคนกล้าดีกว่าตายอย่างคนขลาดเจ้าองคุลีมานี่มีปรัชญาประจาตัวเข้าท่าไม่น้อยเหมือนกันนะแรกพบรู้สึกน่ากลัวเหมือนกันนึกว่าจะพูดภาษาคนกันไม่รู้เรื่องซะและ้วแต่แล้วก็กลายเป็นคนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งไปได้หล่อนพูดเหมือนจะรำพึงกับตนเองเอื้อมมือไปจับปลายคางที่รุงรังไปได้วยหนวดเครานั้นสั่นอย่างรักใคร่ปรานี แล้วเดินผ่านไปจับแขนเกิดกระจันไว้คนละด้านไงจันตะเกิดเราสองคนนี่สงบส ง, เงมเท่าๆกับที่ทราโหดเยี่ยมยอดที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางมาทีเดียวไม่เคยเห็นเป็นอะไรกับใครซักทีในขณะที่คนอื่นเขาย่ำแย่ถึงมดถึงหมอกันแทบทุกคนจันยิ้มเห็นเหงือกเกิดผู้ฉาดฉานกว่าก็ตอบว่าเกิดภาวนาคอยแคล้วคลาดย้ายถึงมือนายหญิงเลย เกิดกินยายาแล้วก็กลัวเข็นฉีดยาด้วยหมอดารินหัวเราะชอบใจดีรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ดีก็แล้วกันนะถ้าชีวิตรอดกลับไปถึงหนองน้ำแห้งฉันจะให้รางวัลพิเศษทุกคนบุญคำไม่เอาอะไรมากหรอกนาะยหญิงอยากจะขอกล้องสัง่สองทางไกลนายนะหญิงไว้ดูต่างหน้าสักอันเดียวเท่านั้นแหละตพรานเท่าสอดขึ้นพร้อมกับหัวเราะแห่ ดารินหันขวักมาถลึงตานิดนึงซ่อนยิม้มปั้นหน้าดุบอกว่ายกเว้นเราคนเดียวเท่านั้นบุญคำฉันจะไม่ให้อะไรบุญคำเลยอ้าวแล้วกันพรานเท่าเป็นผู้ใหญ่เสียเปล่าพูดอะไรไม่จริงสักอย่างนี่ดีแต่โฆษณาประชาสัมพันธ์เ็จกระกูไอ้คำเสียหมาตอนนี้เองหน้ากระเทืบมึงนักไอจนันเอ้ย คุณคำครางหงิงกับตัวเองนายหรือหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นยืนห่างออกมาตอนหนึง่งกำลังมองเงียบๆมาที่น้องสาวคนสวยของนายจ้างซึ่งเดินทักทายกลุ่มฟารานของเขาดารินเดินเฉียดผ่านหน้าไปแต่พอเลยไปได้ประมาณสามเก้าก็หยุดชะงักนิดหนึ่งพูดลอยข้ามไหลามาเบาๆว่าทักทายกัลูกน้องทั่วหน้าแล้วจะไม่ทักลูกพี่บ้างก็ดูะไรนะก็ไม่เสียหลายนี่ครับ ในการที่เราจะเริ่มต้นวันนี้ด้วยดีเพื่อสุพรรณิมิตรโชคชัยของพวกเราเสียงตอบเบาๆเช่นกันดารินเลิกคิ้วงามขึ้นแต่ยังไม่หันกลับมาถ้างั้นก็อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณระพิน์ไพรวันอรุณสวัสดิ์เช่นเดียวกันครับคุณหญิงดารินวราริศพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและมีกำลังใจเหลือเกินที่นายจ้างคนสวยผู้สูงศักดิ์ เีวนาปราัยกับพวกเราด้วยอัธยาศัยอันงามน่ารักก่อนการออกเดินทางเช้าวันนี้ทุกคนพร้อมแล้วขอรับที่จะรับใช้และตายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีมากและขอบใจได้ตกปากจะให้รางวัลลูกน้องไปหมดแล้วทุกคนเมื่อกลับไปถึงหนองน้ำแห้งสำหรับหัวหน้าของเขาจ่ ะ, จะอาอะไรดีลืมซะแล้วเลยครับเคยบอกไว้เองอะ่ะว่าจะให้ เคยบอกมาก่อนเนอเคยสิครับถ้างั้นจำไม่ได้จริงๆอะไรอะนาฬิกาเรือนซึ่งเดินด้วยหัวใจของผู้ให้ไงครับดารินวราฤทธิ์ฉ ง, งนฉงไยแต่แล้วชั่วพริบตาเดียวก็นึกออกใช่แล้วที่ใดที่หนึ่งเวลาใดเวลาหนึง่งหลอนเคยได้พูดไว้เช่นนี้จริงกับเขาผู้นี้ช่างจดจำแม่นซะเหลือเกินนะ หลอนหัวเราเบาอยู่ในลําคอสะบัดผมเชิดหน้ารับสายลมอันชื่นชาของปัดจุดสมัยเห็นจะไม่มีหวังใช่แล้วกระมังก็คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเช่นนั้นมานานแล้วละ่ะรับรองว่าไม่ทวงหรอกมีของที่จะให้ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกว่านั้นใชอีกอะไรล่ะครับรก็เศรษฐีนี่ไม่หล้านสาวคนสวยของคุณอําพลยังไงล่ะขอบคุณครับ และยินดีรับซะด้วยอารมณ์อันชื่นมืน่นระคนไปกับความเยาะหยันเปลี่ยนวัดไปโดยที่เจ้าของไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าเพราะถ้อยคำที่ไม่คิดว่าจะได้ยินมาก่อนเช่นนั้นต่อให้เป็นแพทย์นักมนุกวิทยาหรือครูบาอาจารย์ในขั้นไหนลงได้กระทบกับอารมณ์ลึกลับชนิดนี้เข้าผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละดาริงกระทืบเท้าโดยแรงสบัยตัวหันควับกลับมาจ้องด้วยตาลุกวาว หล่อนร้องมือกำแน่นกระพินไพรวันเบิกตายั่วให้นิดหนึ่งพร้อมกับยกมือขึ้นแตะปีกหมวกก้มโค้งให้น้อยน้อยน้องสาวคนสวยของนายจ้างเพื่อจะรู้สึกในอาการของตัวเองสะบัดหน้าเดินพละไปโดยเร็วทิ้งไว้ให้แต่หางตาอันหน้ากลัวที่ตวัดคอนเชษฐาเดินเข้ามาหากระพินด้วยสีหน้าอันเยือกเย็นเต็มไปได้วยความมั่นคงหนักแน่นโดยบุคลิก จับแขนพานใหญ่บีบเป็นยังไงผู้กองพวกเราพร้อมหรือยังพร้อมครับคุณชายท่านหัวหน้าคณะยิ้มขมิมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูพลางเหลือบมองเข้านิดหนึ่งเหลืออีกสานาทีสำหรับเลิกการออกเดินของเราและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเหลือเวลาอีกเพียงยี่สิบสองวันเท่านั้นที่จะต้องเข้าใหถึงเนินพระจันทร์ในวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสอง ผมระลึกอยู่เสมอครับในข้อนี้ดีมากพวกกองท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าตบไล่เขาอีกครั้งเดี๋ยวถอยห่างออกไปยกมือขึ้นทำสัญญาณกับอีกสามคนฝ่ายฝ่ายของเขาเพื่อเตือนให้เตรียมพร้อมในขณะที่รัพพินก็สั่งให้ลูกหาบทุกคนเข้าประจำที่ความเงียบก็ย่างเข้ามาปกคลุมทั้งสิบสองชีวิตไม่มีใครปริปากพูดคาใดในขณะนั้น นอกจากจะสังรวมจิตนิ่งอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้แล้วขบวนเดินทางมหาวิบาทจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอนาคตของทุกคนฝากไว้กับสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นและช่วงขณะหนึ่งของความเงียบที่สุดในจิตใจของทุกคนยามนี้โดยไม่ได้นับแนกันไว้เลยทั้งหมดต่างส่งความคิดไปถึงชดประชากรหรือหมอมราชวงศ์อนุชาวราริพร้อมทั้งนันอิน อันเป็นพรานนำทางร่วมตายของเขาซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญให้เกิดการเดินทางท้ามรุตยูไปตามมาป่านชนีบุรุษชาตินักสู้เลือดราชสกุลและเพื่อนร่วมตายของเขาจะเป็นตายร้ายดีอยู่ณที่ใดภายในอาณาจักรอลีรับเบื้องหนะ้าพรันในห่วงคำนึงลึกของทุกคนก็หวนคิดไปถึงลายมือเขียนของบุรุษผู้นั้นซึ่งจารึกเป็นตัวอักษรไว้ด้วยฐาน แต่อยู่กับก้อนหินอันเป็นหลักฐานเด่นชัดที่ทิ้งไว้ให้ค้นพบมาก่อนแล้วประหนึ่งว่าจะเป็นเสียงของอนุชาวราฤทธ์เองที่ประกาศไว้กับฟ้าและดินแวววมาให้ได้ยินนับที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นขอฝ่าฟันอุ ป, ปรสรรคและขวากน้ำถึงสิ้นชาติวาสนา ชะตาสามจะฝากนามโลกให้รู้กูก็ชายณที่นี่ไร้ญาติและขาดมิดยังก็แต่บาวสนิทพิษสมัยเสมอเพื่อนเสมอญาติไม่คลาดไกลเป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวา ดารินมองมืออย่างปราศจากจุดหมายไปยังราวป่าเบื้องหนะ้าซึ่งบัดนี้หมอกเริ่มจางลงเป็นลำดับน้ำตาของหลอนคลอออกมาโดยไม่รู้สึกตัวพึ่มพำแผ่วเบากับตนเองว่าพี่กลางชายันเองยามนี้ก็ยืนคอตกไปชั่วขณะตามองลงไปยังพื้นเบื้องหนะ้าไม่มีใครรู้ล่วงไม่มีใครล่วงรู้หรือนึกทายใจใครได้ถูกว่ากาลังนึกคิดอะไร แล้วเข็มนาฬิกาที่ข้อมือของเชษฐาก็ชี้บอกเวลา8ปดนาฬิกาตรงท่านหัวหน้าคณะดีดมือและโบกมือเป็นสัญญาณเมื่อนั้นเองขบวนทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากที่เงียบเงียบใบหน้าลงจากบริเวณเนินพักอันมาตั้งเข็มถาวร อ, อยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรขยินกระเงีทายหาบของนำไปเป็นคู่หน้าต่อมาก็คือจันทร์กระบุนคําและเกิดกับเซย ตามลาดับสางปลาสะพายสัมภาระเดียวห่อเดียวโตโตติดอยู่บนหลังมีสายเชือกโยงมาผูกไว้ที่หน้าผากเดินขั่นอยู่กลางขบวนหาบของอีกสมคู่ส่วนบุคคลชั้นหัวหน้าทั้งห้าคนเดินรวมกลุ่มตามมาเบื้องหลังรูปขบวนยังไม่ได้จัดสรรกําหนดแน่ลงไปอย่างใดการเริ่มต้นเดินทางยังเป็นไปในลักษณะรวมกลุ่มกันเป็นหมู่ พอลงมาถึงปลายเนินด้านล่างติดกระลำทานแานใหญ่ก็ตะโกนบอกพวกนั้นให้ทราบจุดหมายแห่งแรกของเขาโดยให้บายหน้าไปทางปราสาทหินร้างก่อนตอนเองมาหยุดยืนอยู่ที่ซากกองขี้เถ้าซึ่งเป็นตำแหน่งเผาซากของมันไรเจ้าผีดิบพันปีคณะนายจ้างพลอยชนะล้อมดูอยู่ที่นั่นด้วยแต่ก็ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นที่ต่างพิจารณาดูกองขี้เถ้า ที่ยังเหลือให้เห็นเป็นสีเทาโมยู่ในระหว่างวงล้อมของหมู่ก้อนหินเหนือลำธารแล้วก็เคลื่อนต่อไปเมื่อรพินไทรวันออกเดินทั้งหมดลุยตัดข้ามลำธารซึ่งขบวนหาบหามล่วงหน้าไปก่อนแล้วและเริ่มทำเวลาทันทีประสบการณ์ความชำนาญของคณะนายจ้างบัดนี้ต่างมีอยู่อย่างดีเยี่ยมแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะต้องคอยห่วงหรือซักซ้อมตักเตือนอะไรกันทั้งสิน้น ทุกคนดูเหมือนจะรู้หน้าที่ของตนเองได้ดีเพียงชั่วอึดใจเดียวของการเร่งฝีเท้าตังก็ตามมาทันขบวนลูกหาบซึ่งเดินกันด้วยฝีเท้าของลูกป่าจริงๆคือมองเห็นว่าเคลื่อนกันไปอย่างปกติธรรมดาที่สุดแต่อันเนื่องมาจากการก้าวย่างอันสม่ำเสมอและไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยทำให้พวกนั้นรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อสองพี่น้องราชสกุล เร่งตัดขบวนขึ้นไปจนทันกระคู่หาบของแง่ทรายและขยินซึ่งเป็นคู่นำหน้าอยู่ในขณะนี้มาริอาฮอฟมันเดินลักษณะขัดขัดไม่สู้จะถนัดนักอยู่ใกล้ๆ ก, กระสางปลาคนของหล่อนไม่มีใครสังเกตอาการของแหม่มสาวได้นอกจากระพินกับชา ย, ยันซึ่งเดินเคียงกันอยู่ท้ายขบวนเท่านั้นหลายต่อหลายครั้งที่หล่อนส่วนไซและเดินขโยโกลากขาบางทีก็หยุดก้มลงจับที่ข่าวไว แสดงสีหน้าว่าต่อสู้กับอำนาจความเคล็ดยอกปวดร้าวตั้งแต่โคนขาลงไปจนถึงเขา่าชยันเห็นแล้วก็หน้าเสียรู้สึกสงสารหลอนและเสียใจในการกระทำของตนเองจนบอกไม่ถูกพอเหลียวชำเลืองมาทางพรานนำทางก็เห็นเขามองเงียบๆอยู่ก่อนแล้วผมไม่สบายใจยังไงบอกไม่ถูกนะผู้กองอดีตนายทหารปืนใหญ่ระบายความรู้สึกด้วยเสียงกระซิบ ก็เลยเห็นใบหน้านั้นส่งยิ้มปลอบใจมาให้พร้อมกับเอื้อมมือมาตบที่แขนเบาๆอย่ากังวลไปเลยครับคุณชายยันไม่หนักหนาอะไรนักหรอกลืมเถอะผมคิดว่าเมย์เองก็คงจะลืมเหตุการณ์ตอนนั้นไปซะแล้วด้วยซ้ำนี่ถลนเดินไม่ไหวหรือเกิดเป็นอะไรขึ้นระหว่างทางแล้วก็ผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยผมนี่มันบ้าระยำแทๆ้ๆไม่น่าเลย ตอนนั้นมันนามืดไปจริงๆผมมีความรู้สึกเหมือนอยากจะฉีกหล่อนออกเป็นชิ้นๆอ่ะในตอนนั้นเม์คงเจ็บมากทีเดียวครับรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอีกครั้งพร้อมกับประกายตาใชา้แสงขบขันผมรู้สึกว่าคุณชายยันจะเดือดเนื้อร้อนใจซะยิ่งกว่าตัวหล่อนเองผู้ถูกกระทำซะอีกนะก็บอกแล้วยังไงครับว่าอย่าไปสนใจกังวลอะไรอยู่เลยประเดี๋ยวก็หาย เมย์นะ่ทรหดบึกบึนยังะไาราดีรับรองได้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนก็ปกติเหมือนเดิมได้อีกไม่ต้องห่วงหรอกคราวหลังก็พราพๆามมือหน่อยอย่าให้รุนแรงถึงขนาดนี้ก็แล้วกันสังเกตดูหล่อนก็ไม่ได้สนใจถือโทษโกรธเคืองอะไรคุณช้ยยันนี่ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะคุณหล่อนอาจจะโกรธเกลียดขี้หน้าผมยังไราดีก็ได้เพียงแต่ว่าความที่เป็นคนใจหนักเลยเก็บไว้ไมิชิด ไม่แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้นคุณชายกับคุณหญิงระแคะระคายอะไรบ้างหรือเปล่าครับนี่ชายันถอนใจยาวทำหน้ายุ่งเมนะเขาเก็บความลับไว้ได้ดีมากไม่ได้ปริปากหรือแสดงอะไรออกไปให้สองคนนั่นสงสัยเลยซึ่งข้อนี้ผมนับถือใจหล่อนมากที่สุดแต่น้อยก็ทำท่าจะสงสัยอยู่นะเพราะเห็นรอยช้ำที่แก้มก็พยายามจะซักถามให้ได้แต่มเมยเาก็ใบเบียงเดินหนีซะ ส่นเชษฐานะ่ยไม่สนใจอะไรหรือวิฉันนั้นอาจจะรู้อะไรดีที่สุดแต่ก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะนิสัยของเขาเป็นอย่างั้น่ะผมไม่กลัวเชษฐาจะรู้หรอกแต่กลัวน้อยมากกว่าถ้าน้อยรู้ความจริงว่าผมทารุนอะไรเมรคงจะด่าผมยับทีเดียวเอาเป็นว่าคุณชา ย, ยันคอยระวังหลังดูหล่อนไว้ด้วยกันแล้วกั น, กนครับแต่ผมเชื่อว่าเมรคงไม่เป็นอะไรหรอกอาจจะแค่เดินช้าหน่อยเท่านั้น หาวจบเขาก็เร่งฝีเท้าเดินผ่านเลยชายันกอดเข้าไปทางด้านหลังมาเรียซึ่งเดินอย่างขัดขัดอยู่เขาตามเข้ามาถึงในเวลาที่หลอนลากขาสะดุดรากไม้เสียหลักจักขมำหน้าก็เลยคว้าไว้ได้ทันฮิวขึ้นมาประคองไว้แนบตัวยิ้มให้สีหน้าของมาเรียอิดโรยเล็กน้อยพอมองเห็นคนที่ประคองอยู่ก็แม้มริมฝีปากเบาๆสะบัดมือออกฝืนยืดกายตรงขึ้นมาเดินพึ่งเป็นสงา่า อันเป็นบุคลิกเดิมของหล่อนพอจะเดินไหวไหมวันนี้เขาถามอ่อนโยนแววตาปราณีฉันสำอ่อยไม่เป็นหรอกไพรวันคณะของคุณจะต้องเดินทางให้เร็วที่สุดตามกำหนดหมายถ้าฉันเดินไม่ไหวเมื่อไหร่ก็จงทิ้งฉันไว้ตามลำพังเมื่อนั้นไม่ต้องหยุดรอ ถ้าทุกคนในคณะของเราโหดร้ายใจดําแล้วก็เห็นแกนตัวอย่างที่คุณตั้งใจจะหมายความว่าแล้วก็เราคงไม่มีคุณร่วมทางมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละเมยน้ําเสียงนั้นการุนเจือไปด้ยวยแววตาหนิเล็กน้อยยิ้มให้แล้วก็เดินตัดหน้าผ่านหลอนไปดังนั้นในการเซล้มลงไปเข่ากระแทกพื้นครั้งที่สองของมาเรียผู้ทิดก้าวตามเข้ามาทางเบื้องหลังและฉุดประคองขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นชัยยันอันนันไรเขาหวางหน้าเฉยเฉยอันเป็นความรู้สึกตรงข้ามกับความห่วงใยแท้จริงซึ่งซ่อนลึกอยู่ภายในมาเรียงเงยหน้ามองดูคนฉุดอีกครั้งแล้วก็ไม่แสดงอาการเช่นไรทั้งสิ้นนอกจากจะบอกขอบคุณเรียบๆ ร, ราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคุณนี่มันน่ารักก็ตรงที่มีใจหนักเหมือนผู้ชายนี่แหละเมย์จะมายุ่งกับฉันได้ไหมชัยยัน เราโกรธและเกลียดกันใช้แล้วเหรอเมเปล่าหรอกแต่คุณไม่เห็นเหรอเมื่อกี้นี้น้อยก็สงสัยพยายามจะจับพิรุษให้ได้นี่ถ้าจะให้ดีอะคุณขึ้นไปเดินข้างหน้าดีกว่าจะมาคอยเดินเป็นพี่เลี้ยงเฉันอย่อยางงี้เดี๋ยวเขาจะสงสัยขึ้นอีกฉันไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเมื่อคืนนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันแกล้งเดินถ่วงมาอยู่ท้ายข บ, บวนก็เพราะไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันเดินไม่ถนัดยังไงมารียพูดกับเขาด้วยอาการปกติที่สุด ไม่สอว่าจะผูกใจเจ็บแค้นหรือคุณเคืองใดๆเลยยนทําให้ใช้ยันอดประหลาดใจไม่ได้จ่องใบหน้างามแบบตะวันตกนั้นไม่กระพริบและบีบต้นแขนเบาๆเม่ถ้าคุณปกติดีอย่างเคยผมก็ไม่ห่วงรอกแต่นี่คุณน่ยยังกระโผกระเพกเต็มทีแล้วก็มาเดินหลังคุมท้ายขบวนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคุณก็ช่วยตัวเองไม่ถนัดเขาบอกตรงๆเหมือนกันไม่เป็นไรอย่าห่วง ฉันช่วยตัวเองได้แน่แน่ถามจริงเธอเมวันนี้เป็นไงบ้างฉันเดินไหวก็แล้วกันรับรองไม่เป็นภาระหรือข้อห่วงกังวลของใครอะ่ะเกลียดผมมากไหมเฉยเฉยถ้างั้นรักบ้างหรือเปล่าสักนิดก็ยังดีนี่ฉันจะขอบคุณอย่างสูงนะมิสเตอร์อนันต์ไตรถ้าหากคุณจะกรุณาหุบปากแล้วก็ออกไปให้ห่าง มารีอฮอฟมันพูดเน้นเสียงแช่มชา้าชัดเจนและเป็นทางการเป็นรูปประโยคที่สุดผมก็ยินดีที่จะหุบปากนะเมถ้าคุณจะกรุณาเปิดในสิ่งที่ควรเปิดและยอมให้ผมเข้าใกล้ในอนาคตข้างหน้ามิสซิสฮอฟมันชัยันพูดเน้นเสียงรูปประโยคทางการเช่นเดียวกันนี่จะตามตอแยกวนใจกันไปถึงไหนนะเนี่ยเม คิดถึงคืนวันที่เราระหกระเหินตกระกำลำบากอยู่ด้วยกันสักนิดสิแล้วคุณจะรู้ว่าชัยยันเป็นยังไงมาเรียสะดุดก้อนหินเซออีกครั้งช ย, ยันคว้าเอวดึงเข้ามาเดินเคียงแนบตัวสายตาของเขาคู่นั้นประกาศความหมายของหัวใจแจ่มชัดสาวผมทองเสษสาวผมทองแลสุดนิดนึงก็มื่นไปซะก่อนนี้ ฉันก็เห็นว่าคุณเป็นสุภาพบรุษที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบเบเรียกและยังไม่เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีอารมณ์แบบแซโดแมโคโซคิสอย่างคุณหรอกเหรอก็ไม่แน่นะอาจจะเหมาะก็ได้ขาดคำมาเรียก็กระแทกไหลชนเขาอย่างกระทันหันชั ย, ยันไม่รู้ตัวก็พละเซถอยห่างออกไปหล่อนใช้ส้นผ่านท้ายของไรเฟิลจุดสาเก็บผ้า กระแทกโครมก็ไปกลางซวงอกเป็นอาการเคลื่อนไหวรวดเร็วฉับพลันจนดูไม่ทันอดีตนายทหารปืนใหญ่ไงหลังลงไปก้นกระแทกริมทางด่านนี่ขอเตือนให้รู้ไว้แม้จุดอ่อนของฉันจะอยู่ที่ขาดผู้ชายไม่ได้แต่ก็มีเวลาเหมือนกันนะไม่รานตลอดยี่สี่ชั่วโมงของวันหนึ่งของวันหรอกและยามใดที่ฉันปราศจากอารมณ์อย่าพยายามเข้าใกล้อีกไม่งั้น จะระเบิดคำหมองซะชยันนั่งทางขากลางพื้นจ้องตลึงมาเรยยิ้มที่ ม, มุมปากสีหน้าและแววตาของหล่อนยามนี้ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่าเหตุการณ์ระหว่างบุคคลทั้งสองเกิดขึ้นเงียบๆท้ายขบวนจึงไม่มีใครเหลียวมารู้เห็นขณะหนึ่งที่หล่อนจ้องสบตาเขาด้วยสายตากร้าวแข็งชนิดไม่มีแววของอิทธิเพศเจือปนอยู่เลยแม้แต่น้อย นอกจากธาตุของลูกผู้ชายนักสู้ที่ไม่พลันรึงต่อสวรรค์หรือนรกแล้วก็เดินมาหยุดยืนหยุดตรงหน้าส่งมือให้จับยิ้มนั้นสยายกว้างออกไปอีกพยักหน้าเป็นความหมายให้เขาจับมือหล่อนชา ย, ยันมองดูฝ่ามือที่ส่งมาให้อย่างงงงแล้วจับมาเรียฉุดเขาให้ขึ้นมายืนตามเดิมจะเดินไปข้างหน้าหรือจะเดินอยู่ข้างหลังก็ตามใจคุณนะแต่จําไว้ อย่าเดินเสียดสีคลอเคลียฉันขณะนี้และเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการการประครบประงมใกล้ชิดกับผู้ชายคนใดทั้งสิน้นเมื่อคืนนี้ฉันก็เต็มอิ่มเกินพอแล้วเมยคุณนี่มันแม่เสือชัดๆนะใช่สิแล้วคุณก็ควรจะรู้ด้วยนะว่าเสือตัวเมียะมันไม่ยอมให้ตัวผู้เข้าใกล้หรอกยกเว้นแต่ตอนฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น ชัยยันยังยืนจ้องหล่อนจังงังอยู่ที่เดิมมารีย์พระเดินจากเขาตามท้ายขบวนไปด้วยอาการอันเชิดพึงลำตัวตั้งตรงไม่ได้เลี้ยวกลับมามองอีกเลยชัยยันมองตาค้างอยู่อึดใจหนึ่งก็เดินตามหลังไปทิ้งระยะประมาณ2ีก้าด้วยจิตใจที่ปลอดโปรง่งเป็นสุขขึ้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็พอจะวางใจได้ว่ามารียังแข็งแรงทรหด บึกบ่นพรานใหญ่นั้นเมื่อเดินผ่านเลยมาเรียมาแล้ว <c oughs> เขาก็กดไล่ขบวนทั้งหมดอันกำลังเดินกันเป็นแถวไปตามทางด่านลุ่มๆุอมนๆนขึ้นไปนำอยู่เบื้องหนะ้าเชษดาเร่งฝีเท้าเข้าไปเดินเคียงอยู่ด้วยโดยทิ้งให้น้องสาวเดินอยู่ใกล้ชิดคู่หาบของแง่ทรายและขยินตามเดิมระพินหันมาเห็นราชสกุลหนุ่มผู้เป็นนายจ้างของเขาสาวเท้าไล่เข้ามาก็ชะลอรอ แล้วหันไปยิ้มให้เชิฐาเชิฐาส่งซิก้าให้ตัวหนึ่งเขารับมาใส่กระเป๋าเสื้อไว้พร้อมกับกล่าวขอบคุณระพินเราจะตัดไปยังจุดหมายไหนก่อนนี่ปราสาทหินพันธุมวดีครับบางทีจะต้องเฉียดผ่านลูกเขาอันเป็นสุสานที่คุนชัยยันกเมเคยเข้าไปเตะอยู่ด้วยถ้าถึงบริเวณนั้นแล้วอาจสังเกตเห็นที่หมายอะไรได้บ้าง ผมจำได้คล้ายๆคร่าวว่ามีเทือกเขาทิวหนึ่งใกล้ๆกับสุสานอยู่ทางด้านตะวันออกลักษณะสันฐานของมันทําท่าจะคล้ายๆกับ ท, ทิวเขาที่ระบุไว้ในลายแทงว่าเป็นทิวเกืกมะถ้าภูเขาเทือกนั้นเป็นทิวเกือกมะจริงตรงกับแผนที่การตัดเข้าเส้นทางในลายแทงของเราก็จะยิ่งเร็วขึ้นอีกไม่ต้องมุ่งกลับไปยังเขากองกอยหรือมุ่งเข้ายึดเส้นลําน้ําสารวินอย่างที่ตั้งแผนกันไว้แต่แรก ถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณเข้าใจก็จะวิเศษที่สุดอะว่าแต่เรามุ่งไปทางปราศาสตหินนั่นจะพบกระร่องรอยอะไรของไอ้ยักษ์ที่แพรวพานขึ้มาเมื่อคืนนี้ไหมเสียงของมันดังมาทางด้านปราศาสตหินไม่ใช่ละคุณถ้าจะฟังจากเสียงก็ดังมาจากทิศทางที่เรากำลังจะมุ่งไปเป็นจุดหมายแรกนี่แหละครับแต่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะพบรอยอะไรของมันที่มาทาไว้เมื่อตอนหัวรุ่งนีหรือเปล่า เพราะถ้าเรามุ่งเฉพาะการเดินทางของเราอย่างเดียวเราจะตัดเส้นทางที่เห็นว่าสะดวกและย่นย่อที่สุดซึ่งอาจเบี่ยงหลบคลาดไปจากรอยของมันก็ได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะเจตนาจะาค้นหาซึ่งทําให้เสียเวลาไปเปล่าๆหรือคุณชายคิดยังไงครับต้องการให้ผมค้นหารอยมันให้เห็นจะก่อนหรือเปล่าไม่จําเป็นอะพินระบายหน้าไปตามทางที่เราควรจะไปก็แล้วกัน นอกจากจะบังเอิญพบเขาเองภาวนาถ้าไม่พบทั้งรอยและตัวมันก็จะยิ่งดีที่สุดสำหรับเราผมบอกแล้วไงว่ายังไงยังไงเราก็ต้องพยายามเลี่ยงมันให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมจะยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แต่ยังไงก็ตามอีกสักประเดี๋ยวเราจะผ่านรอยที่มันเดินกระทบหินใหญ่พลิกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานสือ ตอนที่มันมากินซากไดโนเทเรียมซึ่งผมกระแงสายเห็นก่อนแล้วครับเฉถาพยักหน้าอย่างพอใจต่างเดินกันไปเงียบๆอีกครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่านี่รพินคุณคิดอย่างผมไหมตั้งแต่เราออกจากกลุมช้างเป็นต้นมาคล้ายๆกับว่าพวกเราทั้งหมดกำลังเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนอันลี้ลับซึ่งธรรมชาติห่วงห้าไว้ไม่ให้สายตาของมนุษย์ธรรมดาได้รู้และเห็น จึงบรรจงบดาให้มีอุปสรรคแปลกตลอดจนเพศภัยต่างๆมาสกัดกั้นขวางหน้าระไว้มันเป็นดินแดนซึ่งนักนั่งทางในกรรมาฐานหรือวิปัสสนาเขาพบเห็นกันมาก่อนแล้วแต่นั่นเขาเห็นในทางมนโนคติแล้วก็เห็นด้วยดวงจิตแต่พวกเรากลับพบพเผชิญด้วยสายตาของเราเองซึ่งซึ่งหน้าสรพสิ่งต่างๆที่อุบัติอยู่แวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ไว่าจะมาในรูปศัตรูหรือมิตรก็ดีมันน่าจะเป็นภาพมายาที่เกิดขึ้นจากอิทธิฤท ธ, ธิ์อาถรรพ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งเหนือระดับโลกขึ้นไปมันกึง่งจริงกึง่งฝันยังไงบอกไม่ถูกนะจอมพานยิ้มเคร่งขรึมเอามีดโบวีที่ถือติดมืออยู่บากฟันกิ่งและต้นไม้ริมทางไว้เป็นระยะที่เดินผ่านไปตาก็สอดสายไปทั่วพุ่มพฤกษ์ และโขดหินตามธรรมชาติระวังไพรของเขาแม้จะเป็นเวลาค่อนข้างจะสายก็จริงแต่อันเนื่องมาจากอยู่บนยอดเขาสูงมากและเส้นทางเดินเริ่มเป็นดงซึ่งมีกิ่งไม้หนาทึบแผ่ปิดท้องฟ้าเบื้องบนไว้แสงกิงสลัวมัวซัวไม่สู้จะสว่างกระจ่างตานักยกเว้นแต่บางระยะจะพ้นเขต ด, ดงออกมา ส, สู่โลกสู่ที่โลมองเห็นท้องฟ้า ซึ่งเป็นสีคล้ายๆคลุมด้วยพาับฝนตลอดเวลาผมก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้มานานแล้วละครับคุณชายเรากำลังอยู่ในเขตแดนสุนทยาซึ่งโลกภายนอกไม่ยอมรับรองหรือรับรู้เท่าๆกับที่เราก็พิสูจน์ให้โลกทราบไม่ได้ยกเว้นแต่จะเก็บไว้ในความทรงจาของพวกเรากันเองแต่ละคนเท่านั้นสมมติว่าถ้ามีชีวิตรอดกลับคืนไปได้ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีอยู่บ้างในข้อที่ว่าวิชาการความรู้เท่าที่พวกเรามีกันอยู่พร้อมสับแทบทุกแหนงในขณะ น, นี้สามารถจะช่วยตัวเราเองได้ไม่น้อยเหมือนกันเราไม่ขาดหลักการในด้านที่จะใช้ต่อสู้กับอุปสรรคขวางน้ำทั้งหลายสักทีเดียวหรอครับเออพูดถึงเรื่องแผนที่หรือแนวการเดินทางของเราเนคุณจะไปคิดลองหารืองแง่ายดูบ้างเลย ร, ระพิน ผมมีสังขออย่างไงพี่กนนะว่าไอหมอนี่จะต้องรู้อะไรดีมากทีเดียวบางทีเราจะเข้าเส้นทางได้เร็วขึ้นนะระพินพรานใหญ่หัวร้อเสียงแปลงออกมานิดนึงผมก็เชื่ออย่างเดียวกับคุณชายนั่นแหละครับว่าเจ้าแงสายจะต้องรู้อะไรดีมากในเส้นทางเดินมุ่งเทื่กเขาพระศิวะอาจจะรู้ดีกว่าผมซะอีกส่วนเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือนั้นผมไม่จําเป็นหรอกครับ ระพินพูดทิ้งทายแล้วยักไหลทำไมอะ่ะผมขอเรียนเตือนให้คุณชายทราบล่วงหน้าและขอให้คอยจับตาสังเกตไว้ดีนะครับถ้าแม้ว่าผมเดินผิดเส้นทางหรือชักช้าเสียเวลาอยู่ที่ไหนแง่ทรายจะต้องพยายามหาทางให้ผมเข้าเส้นทางจนได้ไม่ต้องไปปรึกษาหาหรือขอร้องมานหรอกครับเพราะจุดประสงค์ของแง่ทรายน่ะต้องการจะไปให้ถึงเทือกพระศิวะโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับเราอยู่แล้ว มันเองซะอีกที่กลัวเราจะเป็นฝ่ายล่าช้าคุณชายคงไม่ทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เราพักกันอยู่ที่เดิมอีกวันเนึ่งนายทายเขาไม่ประสงค์จะให้เราต้องล่าช้าออกไปอีกเลยมันพยายามพูดให้ผมออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเช่นด้วยซ้ำแต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะพักผ่อนอีกวันหนึ่งจึงไม่ยอมทําตามที่มันต้องการท่านหัวหน้าคณะแปลกใจเล็กน้อย นายชายเขาเร่งร้าวให้คุณออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เหรครับผมไม่ได้บอกให้คุณชายทราบเองแหละท่าทางมันเป็นห่วงกังวลร้อนใจซะยิ่งกว่าพวกเราซะอีกมันรูวว้พวกเราจะไปถึงเนินพระจันทร์ไม่ทันวันขึ้นห้าค่าเดือนสิบสองเพราะฉะนั้นผมถึงกล้าพูดไงครับว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปขอร้องมันให้ชื่อคลาหาเส้นทางหรอกเพราะถ้าผมนําทางผิดเมื่อไหร่มันจะต้องทวงทันทีนะครับ เออผมว่าระหว่างคุณกับแง่ทรายนี่มันมีรับลมคมในกันยังไงพีก่ก้นนี่หมายความว่าคุณรู้ว่างแง่ทรายรู้เส้นทางดีใช่ไหมครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซนตว่ามันต้องรู้ครับก็แล้วทำไมคุณไม่ถามหรืปอปรึกษา ม, มันซะเลยล่ะคุณผมไม่อยากจะถามมันเพราะมันไม่เคยแพร่งแพรยบอกอะไรผมในเรื่องนี้เลยแปลกจริง ก็สมมติว่าถ้างแง่ไซรู้อย่างที่คุณเข้าใจคุณเองก็ยอมรับอยู่แล้วว่าแง่ไซต้องการจะไปให้ถึงที่นั่นโดยเร็วที่สุดแล้วทําไมมันถึงไม่บอกทางกับคุณ่ะคุณชายก็น่าจะเข้าใจเจ้านี่ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ครับมันจะบอกผมทําไมอ่ะครับมันแกล้งทำเป็นหน้าเซอร์ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมเพียงคนเดียวไม่ดีกว่าเหรอเพื่อจะรอดูด้วยว่าผมเข้าเส้นทางได้ถูกไหมมันอาจทดลองความสามารถ จะลองภูมิปัญญาของผมก็ได้แต่ถ้าผมผิดหรือพลาดและจะเกิดผลเสียขึ้นกับมันด้วยเมื่อนั้นแหละครับมันก็จะส ก, กิดบอกตามวิธีหน้าเซอที่มันเคยปฏิบัติอยู่เรื่องนี้นะคุณชายวางใจเอครับผลประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของแงไทรายมีอยู่ตรงกับเราแล้วมันไม่ปล่อยผมพลาดหรอกเมื่อนอาทีสุดท้ายมาถึงโอ้โหเชิดาครางลืมตาพลุ่ง หันกลับไปมองดูแง่ทรายผู้หาของคู่กับขยินด้วยอาการอันสงบเยือกเย็นอยู่เบื้องหลังระยะห่างออกไปราว2ีก้าแล้วหันกลับมาจ้องมองจ้องหน้านี่พวกผมไม่เคยคิดด้วยเฉลียวรู้มาก่อนเลยนะว่าระหว่างคุณกับแง่ทรายเนะนี่ยเฉือเหลี่ยมกินเชิงกันมาตลอดระยะเวลาอย่างลับๆแล้วก็รู้เท่าทันกันไปหมดทุกฝีก้าว พวกเราพาซื่อและเซอร์กันไปหมดจอมพรานหัวรอหือผมน่าไม่ได้เฉือนมันหรอกครับแต่มันต่างหากที่ที่คอยเฉือนผมรับรับอยู่ตลอดเวลามิ้น้ำซ้ำยังทำอย่างมิชิดแนบเนียนที่สุดจะอีกด้วยไอ้คนคนี้นะ่ะมันคมในฝกักแล้วก็ไม่ยอมชักออกไม้ใครเห็นโดยเปิดเผยซะด้วยสิครับแต่คุณก็เหลือเกินนี่เท่าทันมันอยู่ทุกฝีก้าวทีเดียว นี่ถ้าคุณไม่บอกผมก็ไม่รู้เลยนะเอ้เจ้าหนี่นะ่ะมันเป็นใครกันแน่และมันประสงค์อะไรที่แท้จริงถึงได้สมัครมากับเรานี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังค้นหาอยู่ละดีละเฉยๆวัเถะพินแล้ ว, ลว เ, เ, รลเรามาจับตาดูมันไปให้ถึงที่สุดสมองความคิดและแววตาของมันไม่น่าจะเป็นคนตาคนดอยอย่างที่ลักษณะภายนอกของมันแสดงอยู่เลย แม้ว่ามันจะยอมรับวกครั้งหนึ่งมันเคยเป็นร้อยโทกองโจนกระเรียงก็ตามผมดูว่ามันน่าจะมีอะไรที่สูงกว่านั้นมากอย่างน้อยพื้นฐานของการศึกษาก็ต้องได้ระดับมาตรฐานทีเดียวผมสงสัยมานานแล้วเหมือนกันนะว่าแต่ถึงยังไงมันก็ไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราไม่ใช่หร้วคุณกอความลึกลับของมันนี่แหละครับ ที่ทำให้ผมเกิดความแคลงใจอยู่ตลอดเวลาไม่อาจเชื่ออะไรได้สนิททั้งๆ ท, ที่ตลอดระยะทางมามันก็ทำตัวเป็นประโยชน์แกคณะของเรามากที่สุดผมก็อดประหลาดใจไม่หายนะคุณรู้ทันว่ามันรู้อะไรบ้างก็เงยสายเองแล่ะรู้ไหมว่าคุณรู้อะไรผมอยากจะคิดว่ามันเป็นพ่อมดหมอผีซะด้วยซ้ำดิเพียงแต่สบตากันเท่านั้น องาทรายอ่านทะลุเข้าไปถึงสมองของผมหมดยกเว้นแต่มันไม่พูดเท่านั้นแหละครับหรือแม้ผมกระดิกไหวตัวนิดเดียวมันก็รู้ทันทีนะครับว่าผมกําลังจะทำอะไรผมเองซะอีกสิที่ไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าอะไรอยู่ในความนึกคิดของมันนั่นดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่รพินไทยวันกล่าวความจริงเกี่ยวกับงาาย ให้นายจ้างของเขาป่าทึบป่าปโปรงสลับไปกับป่าหินประรายเหล่านั้นคณะนายจ้างทุกคนพอจะจําเส้นทางได้ดีเพราะเคยเป็นบริเวณที่เคยผ่านไปมาอยู่หลายครั้งแล้วในระหว่างรวมรันพันตูกับเจ้าผีดิบมันไรและเพียงไม่เกินยีบนาทีต่อมาก็บรรลุถึงบริเวณป่าปโปรงของตีนเขาล้านโลกเต็มบริก้อนหินลูกหนึ่งทุกคนพากันหยุดชะงัก อยู่ที่หินก้อนใหญ่ลูกซึ่งระพินชี้ให้ดูคณะนายจ้างทั้งสี่ตลอดจนพวกลูกหาดทั้งหลายยกเว้นแง่สายเพียงคนเดียวซึ่งมาเห็นก่อนพร้อมกับระพินแล้วพอมองเห็นลักษณะของก้อนหินลูกใหญ่มาฮืมามีรอยพลิกล้มเคลื่อนที่ไปจากเดิมหรือเหมือนถูกกำลังมหายักษ์ชนกระแทกต่างก็จ้องตาค้างเย็นตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเท้า ดารินทำหน้าเหมือนจะร้องไห้มาเรียกมือทำอาเมนส่วนชยันครางออกมาเบาที่สุดว่าพระอระหันต์อะไรก็ตามที่มันจะมาทำให้หินก้อนนี้ขยื่นได้อย่างที่เห็นอยู่นี่พลังของมันจะต้องมีจะต้องเท่ากับช้างสิบตัวทีเดียว